ครับเรียนท่านพุทธศาสนิกชนที่รักทุกท่านครับวันนี้กรมโรงงานได้รับความกรุณานะครับเรากับนักสการนิมนต์ท่านพระอาจารย์คริสต์โสธิพโลนะครับวัดนาป่าพงมาบรรยายพุทธวจนะจากพระโอษฐ์ให้พวกเราฟังนะครับพร้อมกันนี้ได้มีพระนิสิตครับจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับ เป็นคณะสื่อสารมวลชนนะครับทำอนไถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยมีอาจารย์ประจำคณะก็คือคุณสรรชนีนาคพงศ์เป็นอาจารย์วิชาภาคสื่อสารมวลชนนะครับพระนัมยสิทธิ์39รูปที่มานั้นท่านก็จะมาดูกิจการของกรมโรงงานว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะนำไปประกอบวิชาการเรียนแล้วก็จะมีข้อสอบออก ว่ากรมโรงงานทำแบบนี้เนี่ยจะส่งสื่อสารให้แก่มวลชนหรือพลเรือนหรือประชาชนของประเทศไทยอย่างไรว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้างในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สันสินนา์พง์มากล่าวอะไรสเล็กน้อยสำหรับในการที่ท่านได้นำพระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยมาด้วยนะครับในครั้งนีเ้เชิญท่านอาจารย์ครับ กลับนมัส ก, การพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็ท่านเจ้ากรมท่านผู้มีเกียรติที่ก ร, รบทุกๆ ท, ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ได้มาร่วมในกิจกรรมธรรมะในวันนี้วันนี้คนจริงมาหลายๆ ห, หัวโขนนะคะหัวโขนที่สําคัญมากคือเป็นลูกศิษย์วัดนี้คือวัดนาป่า พ, พงลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีที่พระจันทร์คฤิสต์โสติพันโลท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ แล้วก็ทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะโดยได้ทั้งทำรายการโทรทัศน์กับท่านอาจารย์นะคะชื่อรายการพุทธวจนะและทากับพระสงฆ์รูปอื่นรวมถึงพระมาชชาควโรที่เป็นพระภิกษุที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้แห่งวัดนาป่าพงด้วยวันนี้ที่มาเนี่ยอีกหัวโขนหนึ่งก็อย่างที่ท่านเจ้ากรมได้พูดไปแล้วนะคะ คือเป็นอาจารย์พิเศษนะคะไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําในภาควิชาภาษาไทยแล้วก็ได้สอนวิชาภาษาสื่อสารมวลชนได้สอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาไทยในหลายๆอย่างจึงถือโอกาสที่จะได้นํานิสิตเนี่ยมาศึกษาดูงานทางด้านนอกที่เป็นโอกาสอันดีที่เราก็จะได้ชมกิจาการของทหารเรือด้วยพร้อมกับที่สําคัญก็คือได้มีโอกาสร่วมกับท่านที่จะฟังธรรม ท, ทีนี้ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์คึกฤทิ์นะคะก็อยากจะเกริ่นนาก่อนว่าบางท่านอาจจะรู้จักท่าอาจารย์แล้วแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทิหรือว่าอาจจะมีบางคนที่เคยชมรายการคุณไตรพบอย่างเงี้ยนะคะท่าอาจารย์เคยไปออกรายการที่นั่นในช่วงก่อนถึงเทศกาลสำคัญเช่นวันวิสาขาบูชาวันอาสารหะบูชาวันเข้าพรรษาอย่างนี้เป็นต้นเยนะคะพระอาจารย์ก็เป็นประสงค์ที่ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรื่อยมาตั้งแต่ที่ยังศึกษาอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันไปเรียนรู้มาด้วยประสบการณ์ของตัวเองฟังตะอๆกันมาจากเพื่อนร่วมรุ่นของท่านซึ่งท่านเป็นนายทหารนะคะก่อนที่จะมาบวชว่าท่านชอบในเรื่องของธรรมะมาตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมทหารแล้วเพื่อนท่านบอกว่าตอนที่บวชขออนุ ญ, ญาตท่านอาจารย์นะคะ ท่านก็จะเหมือนกับว่าเป็นอนุศาสนาจารย์มาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วและท่านก็ได้ตัดสินใจเมื่อได้เป็นพันตรีนั น, นะคะมาบวชจากวันนั้นถึงวันนี้แล้วสาระหลักในการสอนของท่านท่านก็จะเน้นคําว่าพุทธวจนะพุทธวจนะพุทธวจนะถ้าท่านดูรถของพวกลูกศิษย์หรือว่าแม้แต่กระทั่งปัจจุบันไปตามกรุงเทพเป็นหลักเนี่ย น, นะคะจะเห็นรถติดคําว่าพุทธวจนะเยอะๆดิฉันเข้าใจว่า มาจากการฟังธรรมจากการเผยแพร่ของพระอาจารย์และในขณะนี้ท่านเจ้ากรมคะก็คิดว่าได้เวลาแล้วนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็มาถึงระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วเวลาอันมีคุณค่าสําหรับการฟังธรรมนั้นเราไม่ควรปล่อยผ่านไปกับการใช้กับอย่างอื่นนะคะจะได้เสร็จธรรมกันให้เต็มที่เพราะวันนี้พระมหาท่านถึงที่ทํางานเลยนะคะก็คงจะ ขออนุ ญ, ญาตที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของที่นี่ได้นําเข้าสู่ช่วงเวลาของพิธีการตามลําดับที่ท่านได้เตรียมไว้ต่อไปส่วนในชั้นก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติออกมาพูดข้างหน้านี้ค่ะในช่วงนี้ผมขออนุ ญ, ญาตแนะนําประวัติในช่วงที่ในส่วนของพระอาจารย์ท่านในสมัยที่ท่านยังเป็นค า, ารวาสอยู่นะครับพระอาจารย์ครุกริตนั้นนะครับท่าน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์นะครับและหลังจากนั้นท่านก็ได้รับราชการทหารโดยมียศหลังสุดนะครับในชีวิตขลาวา่ยคือเป็นพันตรีนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นในเส้นทางธรรมะนั้นนะครับในปีพุทธศักราช2522ท่านในขณะที่ท่านเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ระหว่างปิดเทอมท่าน ก็ได้รับการไปมีโอกาสเข้าไปนะครับเข้าไปพบกับพระอาจารย์หลวงพ่อชาสุภัทโธที่วัดหนองป่าพงนะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ไปสู่ดินแดนแห่งความสงบวิเวกที่ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามกกตินะครับใช้การจุดเทียนให้แสงสว่างเดินตามทางใช้ไฟฉายน้าอุปโภคบริโภคนั้นก็ยัง ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับท่านได้ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อชาอยู่เป็นเวลาระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงพ่อชาว่าจะใช้ชีวิตครวญอีกเพียงประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ขอให้มีเหตุปัจจัยผลักดันให้ได้คลองเพศบรรเบิตไปตลอดชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็ได้หลังจากที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อชาในครั้งนั้นแล้วนะครับท่านก็ได้ใช้ชีวิตทางโลกอย่างปกติเรื่อยมาท่าน เล่าให้ฟังว่าการใช้ชีวิตโดยมีสติและธรรมะอยู่กับตัวนั้นนะครับช่วยให้การดำเนินชีวิตทางโลกของท่านเป็นไปอย่างสะดวกไม่เศร้าหมองและมีส่วนสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากแต่ว่าบางครั้งการมีสติก็ทําให้การไปเที่ยวเตเรหรือการเที่ยวเล่นนั้นเริ่มไม่เป็นเรื่องสนุกสนานเหมือนอย่างเคยเพราะท่านมองเห็นแต่โทษพิษภัยของการขาดสติโทษของการที่เผลอเพลินไปกับกิเลสต่างๆ จนในที่สุดเมื่อครบ10ปีตรงกับที่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้นะครับแล้วก็เป็นปีที่หลวงพ่อชาได้มรณภาพในขณะนั้นเองท่านก็ได้เห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงของสัปรปสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งจนได้นะครับตามที่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับบัดนี้นะครับพระ อ, อาจารย์ท่านก็ได้เดินทางมาถึงนสถานนี้แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมขออนุ ญ, ญาตก า, ก า, า, าพัฒนาพระอาจารย์นะครับได้เมตตาแสดงธรรมให้ข้อคิด เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับขา ร, ราชการกรมโรงงานฐานทะเบือสติีบเป็นลำดับต่อไปขออนุญาขออนุญาตกาพรพัฒนาครับ ย้อนยัยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราก็นมัส ก, การพระภิกษุทุกรูปนะครับ <c oughs> เนื้อหาในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธวจนะ ทำวินัยที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงด้วยเหตุที่พระองค์เนี่ยได้ตรัสไว้ว่าภายในอนาคตการห้าอย่างที่จะเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตใน <c oughs> ในห้าข้อนั้นข้อที่สี่ก็คือ พระองค์ตรัสว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกองประเภทกับกรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิ จ, จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ <c oughs> เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน นั้นพระองค์เนี่ยได้ตรัสไว้เองว่าในอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุเนี่ยไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่พระองค์จึงตรัสป้องกันไว้ว่าคำที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยถือที่เรียกว่าสาวกภาสิตาคำที่สาวกภาสิตขึ้นอย่าไปเงี่ยหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสาคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนในโวรศึกษาเล่าเรียนและพระองค์ก็ตรัสกลับกันว่า ส่วนสุดตัณฑะเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลูอุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญตตาเมื่อมีผู้นําสุดตัณฑะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยให้เธอฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนในพระสูตรนี้จะตรัสซ้ํากันไว้ถึงสาพระสูตรเป็นพระสูตรเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต5ประการ อันนี้พระสูตรหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลองศึกกลองศึกของกษัตริย์ทศรัลหะชื่อานากะานั่นมีอยู่เมื่อกษัตริย์ทศรัหะตีกลองานากะานี้ไปเรื่อยๆในที่สุดกลองนี้ก็แตกกษัตริย์ทศรัะก็หาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นลิ่มตีเสริมก็ไปนในรอยแตกของกลองพระองค์บอกว่าทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ฉันนั้นนะพระองค์บอกสุตตันต์นะเราใดนะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยเธอก็ไปสนใจนะอ่าสาวกภาสิตาเธอไปสนใจแต่คําของเจ้ถาพจน์เธอไม่สนใจตัวสุตตันต์ใหม่นั้นนะ่ะจะเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกในที่สุด นะความอันตรธานของคําของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเจ้พระเรื่องสุญญาตาก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คําพระเจ้าจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปจากโลกนะเพราะการที่ไปสนใจสาวกภาสิตานะนั้นคำที่บัญญัติใหม่พระเจ้าจะใช้คําว่าสาวกภาสิตาคือสาวกภาสิทิ์ขึ้นส่วนคําเก่าคําเดิมก็คือตถาคตภาสิตาคตาําที่ตถาคตภาสิต นะนั้นพระตถาคตให้สนใจแต่คําพระองค์อันนี้เป็นพระสูตรที่สองพระสูตรที่สที่สอดรับกันอีกจะเป็นเรื่องของบริษัทที่เลิศและไม่เลิศนะหรือบาลีสามรัฐจะใช้คําว่าบริษัทที่ดื้อด้านกับบริษัทที่ไม่ดื้อด้านนะอันนี้เป็นบาลีสามรัฐที่พิมพ์ครั้งที่สองปีสองสี่หกแปดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีสองสี่สามหรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ อาราถนาพระในช่วงนั้นเนี่ยในยุค ข, ของท่านร้อยกว่าลูกให้ช่วยกันแปลจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามนะเราใช้หลักฐานที่เก่าที่สุดตัวนี้มาเป็นหลักฐานนะในพระสูตรนี้ก็จะบอกว่าบริษัทใดที่ไปสนใจคําของสาวกภาสิตานะไม่สนใจตถาคตภาสิตนะอันนั้นจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศนะ หรือเป็นบริษัทที่ดื้ด้านนะส่วนบริษัทที่สนใจแต่คำของตถาคตคือตถาคตปาสิตาถกกันในคำของตถาคตแต่ไม่ถกกันในคำของสาวกนะจะเป็นบริษัทที่เลิศซึ่งมีชื่อให้ด้วยว่าปฏิปุจชาวินีตาปริศาโนโอุกาจิตวินีตาคือบริษัทที่ใช้แต่คำตถาคตเท่านั้นไม่ใช้คาที่คนแต่งขึ้นใหม่อย่างนี้นันนี่คือ สามพระสูตรที่แสดงถึงความสอดรับกันซึ่งบ่งบอกภัยในอนาคตการซึ่งยังไม่เกิดในบัดนี้คือในยุคของผู้เจ้าแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้ผ่านมา2อ0พอกว่าปียมจะสังเกตเห็นว่ายมไม่สามารถหาหนังสือที่เป็นคำพระศาสดาได้อย่างนี้เราทำหนังสือขึ้นมาจะมีแต่คำพระศาสดาทั้งสิน้นจะไม่มีหนังสือของสาวกคนใดนะนั้น โยมไปหาในท้องตลาดจะมีแต่นังสือของสาวกภาสิทธนะ์สาวกก็แต่งกันขึ้นเองซึ่งก็เหมือนกับที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าคำตถาคตมันจะค่อยๆ อ, อันตรธานไปนะด้วยอาการอย่างนี้และพระองค์ก็บอกว่าถ้าเธอรู้แล้วเนี่ยก็ให้ช่วยป้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เหตุเสืิมตรงนี้มันเกิดขึ้นนั่นคือเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปศึกษาคาของศาสดานั่นเองนะนันนังสือที่ อาตมาทํามาเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นหนังสือที่พระตถาคตตรัสไว้ในแง่มุมต่างๆเช่นว่าโยมอยากจะเจริญอาณาปานสติอาตมาก็รวบรวมให้อานาปานสติเล่มนี้มีครบนะทั้งชีวิตที่ผู้เจ้าตรัสเรื่องอาณาปาสามสิบสองพศนะแค่นี้พอแล้วสําหรับอาณาปา่าผู้เจ้าเทศทั้งชีวิตเรื่องอาณาปาก็ทำํำเทศไว้แค่นี้นะ พระโสดาบันบุคคลเป็นอย่างไรนะพระองค์ให้ตัดสินด้วยตนเองโดยวางหลักธรรมไว้ให้ในนี้ครบแล้วห้าสบเอ็ดพระสูตรนะห้าบเ็ดนัยยะเกี่ยวกับความเป็นโสดาบันที่ให้พยากรตนและตนนั่น ว, ว่าเป็นโสดาบันแล้วถ้ามีหลักธรรมตามนี้เช่นสินห้าบริบูรณ์และอย่างที่สองไม่หวั่นไหวในพระลัตนาไตรนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ถ้าต้องการจะดูจิตนะหรืออินทรีย์สังวรก็รวมไว้60กว่าพระสูตรคือเล่ม น, นี้นะนะวิธีดูจิตที่ถูกต้องพระองค์ไม่ให้ไหลาตามอารมณ์ไปอย่ามีสัญญโะอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยน่านแห่งความเพลินนะ <c oughs> ถ้าต้องการแก้กรรมนะ พอดีในสังคมมีเรื่องแก้กรรมกันเยอะก็เลยออกหนังสือแก้กรรมมาให้นะว่าวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องตามนี้เป็นพุทธวจนะทั้งสิ้นพระองค์ตรัสวิธีเดียวในการแก้กรรมคือมักมีองแปดพระองค์ตรัสว่าอริยะอัดถังคิกามักนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทขามินีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรม น, นั้นตรงนี้เป็นวิธีแก้กรรมวิธีเดียววิธีเดียวเลยไม่มีวิธีอื่น มักแปดเท่านั้นพระศาสดายมไปหาได้ในทุกพระสูตรที่จัดเกี่ยวเรื่องการแก้กรรมหรือเรื่องของกรรมจะมีมักแปดเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีเพราวันถ้าเราต้องการหมดกรรมจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติกายวาจาจิตตามมักแปดเราจะไปสะดอเคราะห์ดูเลิกดูยามนอนในโรงผ้าขาวคุมน้ำลดตัวแก้ไม่ได้ นะอาจจะเป็นความเห็นของเราว่าแก้ได้แต่ความเห็นของอรันตสมาสัมพุทธะบอกว่าแก้ไม่ไดนะ้เพราะกรรมไม่ได้ถูกแก้จากคนอื่นกรรมต้องถูกแก้จากตัวเองนะมิจฉาทิฏฐี4ีอย่างในเรื่องกรรมที่พระโสดาบันจะต้องละได้หนึ่งพระโสดาบันจะต้องเห็นว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลนะไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกฎมาสั่งให้เธอเป็นนั่นเป็นนี่นะเพราะนั้น ถ้าหลักการนี้เป็นที่เข้าใจในหมู่ชาวพุทธการบ่นบานสารกล่าวการอ้อนวอนจะหมดไปจากประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าเขารู้ความจริงว่าอรันตสมาสัมพุทธะผู้เป็นสัพพัญญูได้ตรัสเรื่องนี้เอาไว้แล้วว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นะอย่างที่สองรกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดานตนเองก็ไม่มีนะนั้นโยมอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วตนเองไม่มีแล้วที่นั่งอยู่นี่ใครนะ นั้นผู้เจ้าก็จะถามว่าแล้วลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครไม่มีของใครเส้นผมเป็นเป็นของเธอหรือเปล่าเวลาผมมันงอกเธอห้ามได้หรือเปล่าว่ามันไม่ให้ไม่ให้มันงอกห้ามไม่ให้หนังเหี่ยวได้ไหมห้ามไม่ให้ฟันหลุดล่วงได้ไหมไม่ได้นั้นจริงๆแล้วเธอก็ไม่มีนะนั้นเราเข้าใจผิดต่างหาก <c oughs> มีคนเคยถามผู้เจ้าว่าผัสสะเป็นของใครเวทนาความรู้สึกเป็นของใคร ความอยากเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิดนะเข้าใจผิดผัสสะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครผู้เจ้าบอกไม่มีคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรดังนี้ต่างหากและคำตอบที่ถูกต้องก็จะต้องตอบว่าเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะคือมีอายตนะภายในภายนอกเป็นเหตุจึงมีสัมผัสขึ้นนะ เวทนาเป็นของใครครูเจ้าบอกไม่มีคำถามที่ถูกต้องถามว่าเวทนาเกิดเพราะเหตุอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็ภาษะมันเป็นเหตุจึงมีเวทนาขึ้นอย่างนี้นั้นความอยากความยึดนะความรู้สึกไม่มีของใครนะใครคิดว่าเป็นของเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจผิดกาลังเข้าใจผิดนะใครคิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นบันดาล มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สอย่างที่สใครคิดว่ากรรมเกิดจากเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุไม่ได้เกิดจากอะไรเลยลอยๆขึ้นมาก็ผิดอีกสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะก็ถ้าเราไม่เข้าใจคําพระศาสะดาเราจะเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันเราก็เลยไปพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้กันไปหมดนะซึ่ง ในพูทศาสนาหรือในความรู้ของสัพพัญญูแล้วพระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกฎไม่มีใครสั่งไอ้นนท์ไอ้นี่เป็นนั่นเป็นนี่ได้ศา ส, สนาเราไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าคอยชี้ว่าเธอจงเป็นอย่างนั้นเธอจงเป็นอย่างนี้พระเจ้าเคยโต้าวาทะกับพวกปริพพาชกที่บอกว่ามีพระเจ้าบัดดาลทุกเรื่องพระสัมมาสดมบอกว่าถ้าพระเจ้าบัดดาลทุกเรื่องถ้าอย่างนั้นเวลา มนุษย์เนี่ยไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมพระเจ้าก็ไม่ดีสิเพราะพระเจ้าสั่งให้เขาไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการามนะริภาโชคก็ตอบไม่ได้เพราะพระเจ้าบัดา์ทุกเรื่องในความเห็นของเขานะผู้เจ้าจึงบอกไม่มีทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยนะนั้นวันนี้จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้พวกเราบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่ ถูกบ้างไม่ถูกบ้างมานะอย่าง เ, าเราเคยเรียนมาในกระทรวงศึกษาผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เป็นบัวกี่เหล่าเนาะสี่เหล่าใช่ไหมปรากฏว่าพอเราไปดูในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะมันไม่ใช่สีเหล่าอ่ะโยมนะจะาพัะสูรให้ดูนะผู้เจ้ามีแค่สามเหล่าแค่นั้น ในพระสูตรนี้ตรัสกับราชกุมาร น, นะพระองค์เปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทลิกนะบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำนะพวกที่สองบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำนะบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วนะ มีแค่สามอันแค่นั้นนะมีชันนใดาราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชันนั้นจบแล้วสามเหล่าเห็นนะข้อมูลสี่เหล่าไม่มีในพุทธวจนะข้อมูลเราผิดอีกแล้วตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่กระทรวงศึกษาเลยเห็นนะเพราะฉะนั้นถึงบอกวันนี้มาเอามาเอ า, มาเอาข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเราและข้อมูลนี้พระในยุคลักาณที่ห้าขึ้นนะ โดยแปลาจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามพระร้อยกว่ารูปประชุมกันที่วัดพระแก้วนะรอห้าให้ประชุมกันที่วัดพระแก้วใช้เวลาห้าปีตั้งแต่สอง1สถึงสองสนะนั่นนี่คือบาลีสยามรัฐที่พิมพ์ครั้งแรกรัชกาลที่หําทำเอาไว้สละพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง 2,000 พัช่างพิมพ์สี่หมื่นเล่มแจกไปทั่วประเทศทั่วโลกด้วยหวังจะให้พระทุกรูปเนี่ยมีตารามีหลักฐาน ที่มาตรฐานเดียวกันนะมันจะได้เหมือนกับมีโรงเรียนโรงเรียนเดียวที่ผลิตพระออกไปไม่งั้นร้อยวัดก็ร้อยแบบร้อยองค์ความรู้นะอ่าเพราะ น, นั้น <c oughs> บาลีสมรัตตัวนี้ที่รอห้าเอามาจากอักษรขอมเนี่ยใครเป็นคนทำอักษรขอมปรากฏว่ารัชการที่หนึ่งทำเอาไว้โดยอารัธนานิมนต์พระ200กว่าลูปประชุมกันที่วัดพระศรีสเพชรกรุงเทพนะคือวัดมหาธาตุยุาลังสฤิ์ปัจจุบัน นี่คืออักษรกอมนะที่จานลงในไบลานนะรอ่หนึ่งยืมมาจากประเทศลาวแล้วก็รามันในปีสองสามสามหนึ่งใช้เวลาหาเดือนทำเสร็จนะรอ่หนึ่งไปดูด้วยพระองค์เองนะไปถวายอาหารเช้านะไปถวายน้ำปะนะตอนเย็นนะ ตลอดเวลาห้าเดือนงานนี้จึงสำเร็จนะท่านดูแลเองทุกวันห้าเดือนนั่นนี่คือข้อมูลที่รอห้านำมาใช้และนำมาแ <c oughs> ปลต่อเป็นภาษาไทยปัจจุบันที่มหามกุฎมหาจุฬ า, ามามกุฎเก้าสิเอ็ดเล่มมหาจุฬาสี่าเล่มใช้อยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ก็ใช้จากนะบาลีสามรัฐต์ตัวนี้นี่เองนะนั้นให้เราทราบ หลักฐานที่มาที่ไปก่อนว่าเอ๊บัวสามเหล่ามันมาจากไหนออกมาจากนี่นี่เองนะนั้นบัวสีเหล่านี่คือสาวกภาสิตานะคำที่คนยุคหลังแต่งขึ้นเห็นนะมันจะค่อยๆกลายไปกลายไปเคยได้ยินคำว่า 84,000 ี่พันพระธรรมขันมเคยเวลานี้เราตรวจง่ายโยมไม่ต้องไปเปิดอย่างนี้นะสี่ิ้าเล่มนะหมดแรงกดวินาทีเดียวรู้แล้ว เราคีย์คำว่า 84,000 ี่พันพระธรรมขันเข้าไปนะแล้วก็กดค้นหา <c oughs> ไม่พบคำว่า 84,000 ี่พันพระธรรมขันในบาลีสามรัาะฉะนั้นในข้อมูลตัวนี้ไม่มี 84,000 ี่พันพระธรรมขันนะแต่ลองไปเปลี่ยนใหม่สิเปลี่ยนตำราใหม่เราใช้ของมหามุกุฎนะ พอใช้ของมหามงกุฎนะกดค้นหานะก็จะพบคำว่า 84,000 พัระธรรมขันธ์แสดงว่าโปรแกรมมันไม่ได้โกงน ะ, ะเปลี่ยนตำราปั๊บมันเจออยู่เปลี่ยนฐานข้อมูลนะนี่ 84,000 พั 84, ระธรรมขันธ์แต่บาลีสามรัฐเวอร์ชั่นแรกไม่มีนะเพราะนั้นตำราที่บอกว่าลอกจากบาลีสามรัฐไปหาเติมแต่งขึ้นในภายหลังเองนะ นั้นนี้วิธีเช็คข้อมูลง่ายๆตรวจสอบได้วินาทีเดียวแป๊บเดียวนั้นก็ด้วยความบังเอิญอีกเหมือนกันพระที่มาบวชชั่วคราวที่วัดจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมก็เลยทําโปรแกรมตัวนี้ให้วันนี้จะนํามาแจกให้ด้วยนะเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปตรวจสอบข้อมูลนะในนี้จะมีบาลีสามลัฐ45เล่มทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยอย่างละ45เล่มพร้อมโปรแกรมในการสแกน พร้อมกับหนังสือของเราทุกเล่มที่ทําเอาไว้นะโยมจะได้ตรวจสอบข้อมูลกันเต็มที่ณนะวันนี้ทุกคนมีข้อมูลเท่ากันโกหกกันไม่ได้นะเพราะนั้นเราใส่ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเข้าไปในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดและวันนี้พ <c oughs> ระที่บวชชั่วคราวท่านนี้ก็ได้ทําเข้าไปในพวกแท็บเลตต็ตต่างๆนะสมาร์ทโฟนทุกรุ่นของเราที่ใช้ระบบของ Android แล้วก็ Apple นะเราใส่ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกคือบาลีสรัฐทั้งภาษาบาลีภาษาไทยเข้าไปในตัวนี้แล้วนะโยมสามารถ <c oughs> ดึงเข้าไปในเครื่องของโยมได้โดยคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปโยมเข้าไปใน App Store หรือเข้าไปใน Android Market แล้วก็คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปโยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาแล้วกดติดตั้งเข้ามาในเครื่องของเราจะมีบาลีสมัฐภาษาบาลีสี่เลมภาษาไทย4เลมพร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจสอบ นะเราจะสามารถค้ น, นคว้าหาความรู้ทุกเรื่องที่พระศาสดาคเคยพูดเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะท่านนี้เรามาตรวจเรื่องอะไรอีกนะโยมเคยเห็นรูปพระพุทธเจ้าใช่ไหมรูปพระพุทธเจ้าที่โยมเคยเห็นมีผมหรือไม่มีผมมีผมใช่ไหม เออล้วพเจ้าสั่งให้ลูกศิษย์ท่านโกนผมแล้วท่านไว้ผมอยู่คนเดียวเลย <laughs> เคยสงสัยบ้งางไหมเคยสงสัยอยู่นะ <laughs> อาตมาเคยไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ถามนะอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกะโหลกศีรษะกี่ชิ้นกี่ชิ้นนูนขึ้นมานะแล้วก็ผมขดเป็นก้นหอยอะไรต่ออะไรนะเราก็สแกนหาให้บอกว่าไม่มีคํานั้นเป็นคําที่แต่งขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วผู้เจ้ามีผมหรือไม่เราตรวจได้ในบาลีสามรัตต์ตัวนี้นะ <c oughs> ในบริบทในพระสูตรเนี่ยพระองค์เคยไปเจอกับปริพาชกชื่อภารัทธวาชะภารัทวาชะเห็นผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกผู้เจ้าว่าอย่างไรนะเขาเรียกผู้เจ้าอย่างนี้หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเห็นนะนี่เพราะทุกคนเป็นศาสดาหมดนะ พวกที่เป็นเจ้าลทัทธิเขาก็ว่าเขาเป็นศาสดาเขารู้ทุกเรื่องเขาก็เรียกผู้เจ้าซึ่งประกาศตนเป็นศาสดาเหมือนกันว่าอย่างนี้เห็นนะนั้นนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าผู้เจ้าเนี่ยปรุงผมด้วยเหมือนกันเขาถึงเรียกผู้เจ้าว่าขนโล้นนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพารัทธวาชะโต้วาทากับผู้เจ้าในเรื่องของสัจจานุล k a r n a t a การรักษาไว้ซึ่งความจริงสัจจานุโพจน์การรู้ซึ่งความจริงซึ่งมี12ขั้นตอน และสัจจานุปัตติการบรรลุซึ่งความจริงว่าจะทําอย่างไรนะผู้เจ้าบอกง่ายๆภารัทวาชะการรักษาไว้ซึ่งความจริงคิดสั้นๆแค่นี้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะไอ้ที่เคยเชื่อวันนี้จริงเท่านั้นเนี่ยอย่าอย่าแน่ใจไม่แน่ด้วยการคิดเพียงเท่านี้นความจริงจะถูกรักษาไว้นั้นเราเคยเชื่อมาตลอด เ, เลยบัวสี่เหล่ามาวันนี้เอ๊ะบัวสามเหล่าอีกแล้วนะเคยเชื่อมาเอ๊ผู้เจ้ามีผมเอ๊ มาเจอพระสูตรจริงๆผู้เจ้าไม่มีอีกแล้วใช่ไหมอ่าและการรู้ตามซึ่งจะทำสิบสองขั้นตอนเป็นอย่างไรมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยบสงลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ค่าควรพิณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าย่อมเกิดขึ้นผู้มีสันท่าย่อมมีอุสาหะผู้มีสาหะย่อมพิณาหาความสำดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือสิบสองขั้นตอนที่คนคนนึงไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไรนะ ในทางกลับกันนะคนที่ฟังธรรมะแล้วไม่รู้เรื่องจะมีอาการอย่างไรนะคนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องยมลงไปดูเช่นว่าสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองน ะ, ะเพราะนั้นพู้เจ้าจะตัดไว้ในหลายเรื่องนี่สนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองนะมีจิตฟุ้งซ่านไม่มีเอกขตาจิตฟังธรรม และทำในใจไม่แยบคายนัยยะอื่นมีอีกไหมมีตั้งสีห้านัยยะสนใจแต่คําพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงางะมัวสําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นัยยะอื่นมีอะไรอีกเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งล้ายแข็งกระด้างเป็นคนโง่เง่าเงางะมัวสําคัญ นะมวัวแต่สําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นะนี่ก็เป็นนัยยะต่างๆของอ <c oughs> <c oughs> การฟังธรรมไม่รู้เรื่องนะนั้นเมื่อกี้มีจะรู้ธรรมะได้อย่างไรอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะก็ให้เราเปรียบเทียบกันนะนั้นศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสงฟังซึ่งธรรมทรงจําไว้นะและเอาไปคข้ควรพิณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ตัวธรรมะเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้น เราจะมีอุตสาหะมีความเพียรพยายามหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนวนในธรรมนะอันนี้ลองไปดูอีกว่าหลังจากภารัทวาชะโตวาทะกับพระุเจ้าตรงนี้แล้วภารัทธวาชะาก็บอกว่าแต่ก่อนเคยคิดว่าไอ้พวกสมณะหัวล้นเที่ยวถือกระเบื้องขอทานนี้พวกมันจะมีภูมิปัญญาอะไรเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่ามีภูมิปัญญาก็เลยยอมมาบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จเป็นพร ะ, ะหรหลานรูปหนึ่งเหมือนกัน นะมีฤทธิ์มากนะชอบไปกับพระโมคคลานะอย่างนี้นะนั้นคนแต่ก่อนเนี่ยเขาอยากรู้ว่าความจริ ง, จ ร, งจริงคืออะไรถ้าเขารู้ว่าใครรู้ความจริงเขาจะยอมนะเขาจะยอมเป็นสาวกของคนคนนั้นนะ <c oughs> มีคนพายคนหนึ่งไปพบผู้เจ้าผู้เจ้านั่งแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่พิสูจน์0้าร้เขาไม่สามารถแยกแยะได้ ว, ว่าผู้เจ้าคือรูปไหน จนคนนั้นต้องพาไปถึงตัวผู้เจ้าบอกนี่แหละคือผู้เจ้านั่นแสดงว่าถ้าผู้เจ้าไว้ผมอยู่ผู้เดียวเขาจะต้องบอกได้ว่าอ่คนที่ไว้ผมคนเดียวนั่นแหละคือผู้เจ้าแต่เขาไม่สามารถชี้ได้จนต้องพาไปถึงตัวบอกนี่แหละคือผู้เจ้าคือแยกไม่ออกระหว่างผู้เจ้ากับสาวกนะจะมีอีกหลายพสูตรมากนะนางพราหมณีคนหนึ่งเนี่ยสันเสริญผู้เจ้ามากสันเสริญผู้เจ้าอยู่ตลอดเวลาสามีนางพราหมณีจึงบอกว่า ไปสันเสริญอะไรกับสมณะหัวโลนคนนั้น น, นี่ก็อีกพระสูตรละดังนั้นบริบทต่างๆที่เจอในพระสูตรมีแต่เขาบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมทั้งนั้นนะอันนี้ก็ให้ทราบไว้จากข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกตรงนี้นะเราอยากทราบอะไรอีกนะหาได้ทุกเรื่องในนี้นะเพราะผู้เจ้าเนี่ยตอบทุกเรื่องไว้แล้วในโลกธาตุนะอย่างมนุษย์มีกี่ประเภท ครูเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยมีสประเภทมนุษย์ในชมพูทวีป พ, พวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปจะมีมนุษย์ในอุตลกรกษณกลุ่ทวีปนะอม马拉โคโยานทวีปและปุกพาวิเทหทวีปมีมนุษย์ต้อง4แบบนะที่นักวุทยาศาสตร์อาจจะเคยสงสัยว่าเอ้มีมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ครูเจ้าก็เหมือนกับเคยจะพูดมาแล้วในสองพกว่าปีที่แล้วนะ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทราบอีกอย่างเอ่อ ถ้าอาตมาพูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดยมคิดว่าใช่ไหมวิญญาณเวียนไหวตายเกิดชาวพุทธชอบพูดกันใช่ไหมว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดแต่จริงๆแล้วถ้าใครพูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดพระศาสดาจะเรียกผู้นั้นว่าโมคบุรุษนะจะถูกตาหนิเป็นบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตร เคยพูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดผู้เจ้าตำหนิมากนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมจิงไม่ใช่ <c oughs> จากประสูตรนี้สาติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ น, นี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นใหม่เขาคิดว่าวิญญาณเนี่ยแล่นท่องเที่ยวไปในภพต่างๆ นะผู้เจ้าว่าอย่างไงสาติบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้นคือเขาคิดว่าสาติเขาบอกเขาเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมตามที่ผู้เจ้าเนี่ยพูดแล้วนะแสดงแล้วว่าวิญญาณ น, นี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้เหมือนชาวพุทธณวันนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> ผู้เจ้าเลยถามสาติ บอกสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสาติก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูด ผ, ผ, ผู้รู้รสึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆพผู้เจ้าบอกโมคบุลุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตเคยแสดงแก่ใครไหนบอกมาสิสติตอบไม่ได้นะโมคบุรุษ เรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปบาธรรมโดยปริยายเป็นอันมากนะปฏิจจสมุปบาธรรมก็คือ ส, สิ่งที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะถ้าเว้นจากปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุถ้าเว้นจากเหตุแล้วความเกิดแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคคบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้น <c oughs> เธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคาที่ตนเองถือเอาผิดด้วย เป็นการกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคําที่ผิดเห็นนะผิดจากผู้หญ้าพูดนิดเดียวก็ไม่ได้นะเพราะจะเป็นเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทันทีเลยเหมือนเล่นเกมกระซิบโยมลองกระซิบจากมุมห้องนี้ไปมุมห้องโน้นถ้าคนนี้พูดสิบคาอีกคนเติมไป11คําอีกคนเติมไปสิบห้าคำยีำ่สิบคคนข้างหลังได้ยินอะไรก็ไม่รู้เพียนไม่ได้ต้อง Co อปปี้ตรงตรงเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะออกไป เธอย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยโมขบุรุษข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้และยังจะไล่ภิกษุสาติออกจากความเป็นพระด้วยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวตตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมโอ้โหว่าสาติแรงเลยท่านี้มันเป็นอย่างนี้ จะอธิบายให้พวกเราฟังสมมติว่านะโยมมีโ <c oughs> ยมเคยรู้อยู่กับลมหายใจนะเวลาเรานั่งสมาธิจิตเรารู้อยู่กับลมหายใจและเรารู้ได้ตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมจิตมันหลุดไปคิดใช่ไหมเวลามันหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยชาวพุทธเกือบทั้งหมดก็จะคิดว่าวิญ ญ, ญาณฉันหรือจิตฉันเนี่ยวิ่งจุดุดชุไปที่นี่ เวลายมดึงจิตกลับมายมงทิวิญญาเนี่ยวิ่งกลับมาที่นี่แต่ความเป็นจริงเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าขณะที่จิตมีการมาการไปนะจิตยมอยู่กับลมหลุดไปคิดยมดึงกลับมาที่ลมนี่เรียกว่าการมาการไปพระตถาคตบอกว่าขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดเห็นนะกระบวนการนี้เราดูไม่ทันไง น, นั้นวิญญาณที่เคยเกาะลมหายใจเมื่อเคลื่อนไปคิดเนี่ย วิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิด น, นี่คือสัจจกความจริงผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ว่าอาคติคติยาอาสติจุตูปปาโตนะโหติอาคติคติหมายถึงการมาการไปถ้ามีการมาการไปจุติคือตายอุปาตะนี่จะมีอย่างนี้มีจุติมีอุปาตะตายและเกิดอย่างในพระสูตรนี้นี่ น, น เมื่อนตัตติการน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีถ้าการมาการไปไม่มีนะการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่ไม่มีจุตูปป า, ปาตะก็คือจุติบวกอุ ป, ปาตานนะปะนี่นะเพราะนั้นที่บอกว่าวิญญาณเวียนว่ายใยเกิดนั่นคือเราเข้าใจถูกแต่เราใช้คำพูดผิดซึ่งจะทาให้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นลึกได้ไม่สามารถเข้าถึงวีมุตได้ เพราะนั้นความเข้าใจถูกก็คือเราเข้าใจถูกว่ามันต้องมีอะไรเวียนไหวตายเกิดพ่อผู้เจ้ายังเคยพยากรณ์ในอดีตชาติพระองค์ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นสัตว์เป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรมามันก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ต่อมาตลอดใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าวิญญาณตัวที่เวียนไหวตายเกิดในสังสรารวัพระศาสดาเรียกว่า สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้แหละที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเกิดดับเกิดดับตามภาษาของมันไปดูพระสูตรนี้ <c oughs> ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตก็ทํานองเดียวกัน <c oughs> เห็นไหมไอตัวนี้เป็นตัวแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณสาติจําผิด นะผู้เจ้าจึงเรียกสาติว่าโมคบุรุษชาวพุทธเราก็จําผิดเหมือนกันเพราะว่าพระจําผิดก็เลยถ่ายทอดให้ญาติโยมผิดญาติโยมก็จําผิดต่อๆกันไปนะทะน่านี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรผู้เจ้าเรียกสั้นๆว่าสัตว์หรือผู้มีอวิชชาหรือผู้หลงนะคำว่าสัตว์หมายถึงอะไรผู้เจ้าจะมีนิยามทั้งหมดเลยนะ เมื่อกี้ชื่อยาวหน่อยใช่ไหมสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนี่ชื่อเต็มของเขาถ้าเขาชื่อสั้นๆเขาจะเรียกว่าสัตว์เฉยๆสัตว์คืออะไรนิยามคําว่าสัตว์ไปดู <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าสัตว์สัตว์ดังนี้นั้นอันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาันใด มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ใครก็ตามมันมีสภาวะหนึ่งที่เข้าไปติดข้องในขันทั้งห้าตัวสภาวะนั้นนะ่ะเรียกว่าสัตว์คือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดผู้นั้นมายึดติดวิญญาณมายึดติดรูปเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดติดขันท่าเพราะนั้น ผู้ท่องเที่ยวไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันไปเรื่อยๆเป็นธาตุรู้เฉยๆรู้นิ่งๆนะตรวจสอบได้อย่างไรขณะที่รู้ลมหายใจนิ่งๆขณะนั้นมีวิญญาณกับมีลมหายใจเกาะกันอยู่สองธาตุนะแค่นั้นเองง่ายๆนะ <c oughs> จึงสังเกตว่าผู้เจ้าเนี่ยจะไม่เคยสอนคําบริกรรมนะ คำบริกรรมเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยสอนไ้เลยทั้งชีวิตถ้ายมไปตรวจดูในบาลีสมลัฐนะในนี้จะมีแปลผิดพลาดคาดเคลื่อนนิดหนึ่ง mm. เช่นว่าถ้าโยอมขีคาว่าบริกรรมเข้าไปเนี่ยจะเจอแต่พอพลิกไปในบาลีแล้วบาลีไม่ได้ใช้คาว่าบริกรรมนะภาษาไทยไปแปลเกินเองอย่างนี้จะมีหลายอันที่ภาษาไทยไปแปลเกินเองนะนั้นอันนี้ให้เข้าใจในเรื่องของสัตว์ ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกและสัตว์คืออะไรนะเพราะฉะ น, นั้นสิ่งนี้คือผู้ท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนั่นนั่นคือขณะที่จิตโยมอยู่กับลมใหมยใจแล้วหลุดไปคิดนะวิญญาณดวงนี้ดับปับ๊บสัตว์ผู้มีวิชาจะเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดในลมใหม่ต่อไปทันทีเพราะเขามีความหลงมีอวิชชาความไม่รู้และสัตว์ตัวนี้แหละผู้นี้แหละที่ปฏิบัติมรรคแ จนสมบูรณ์แล้วอวิชชาจะจางคลายไปหมดไปวิชาจะเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ไหนวิมุตติเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีวิมุตติในตัวอยู่แล้วมีนิพพานในตัวมีวิมุตติในตัวเพียงแต่เราเข้าใจผิดขณะที่เราเข้าใจผิดเราจะถูกเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกและเมื่อฝึกฝนตนเองตามศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคเมืองแปดแล้วเราจะ ถูกเรียกใหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตต์ซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตต์นะไม่ตั้งอาศัยในขันห้าต่อไปแล้วเพราะรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานี่บทสรุปภาพรวมเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราศึกษาแต่เฉพาะพุทธวจนะเราจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้บรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ใน <c oughs> ในบริษัทที่เป็นปฏิบุตรชาวินีตาปริษาโนโอกาจิตวินีตานะนั้นก็มาพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจผิดเป็นประเด็นใหญ่ๆนะที่ถ้าเราไปพูดในสังคมชาวพุทธเนี่ยทั่วๆไปเลยเขาก็จะพูดอย่างนี้วิญญาณเวียนว่ายใจเกิดนะหรือแก้กรรมทำยังไงเขาจะไม่รู้มักแปด อีกอย่างหนึง่ง เ, เราสวดมนต์กันเยอะแยะเคยตรวจไหมว่าบทสวดนั้นเป็นตถาคตภาสิตธิหรือสาวกภาสิทิตานะเราอาจจะยังไม่ได้ตรวจนั้นพอเราไปตรวจมาเนี่ยปรากฏว่า <c oughs> พระสัสดาสวดอะไรพระสัสดาเนี่ยสวดกฎอิทับปัจจะตาสวดปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดวงรอบตัดนะพระสัสดาสวดตรงนี้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 นะที่ยาวเป็นสายนะเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเนี่ยมันประกอบด้วยกฎอิทธ์ป จ, จิยตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละ ค, ละคู่มาเรียงต่อกันนะ <c oughs> อย่างจะให้ดูว่านะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าภาษาไม่มีเวทนาเธอไม่มีทางมีแน่นอนพระเจ้ายืนยันเลยว่า สมณพราหมณ์เหลา่าใดในโลกก็ตามที่บัญญัติซึ่งเวทนาอันมีประการต่างๆคือสุขทุกข์อุเบกขาก็ตามเนี่ยจะต้องมีภายใต้บัญญัติภายใต้ผัสษายตนาทั้งหลาย6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกินรสโปรตปพาธรรมรมเว้นจากผัสษายตนาทั้ง6แล้วเธอไม่สามารถบัญญัติซึ่งเวทนาได้เพราะนั้นเวทนามีเพราะผัสษะจึงบอกว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเห็นนะ และถ้าเวทนามีตัณหาก็จะมีนะแต่ละคู่ของกฎอิทธิปยาตามันไขว้กันนะตรงนี้จึงเป็นสายปฏิจจสุบาทเชื่อมกันเหมือนเหมือนโซ่ที่คล้องกันนะไล่เลี่ยงกันมาตามเหตุปัจจัยและนี่คือเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของชะลามนะความตายตายมีเพราะเหตุอย่างนี้และถ้าต้องการดับความตายต้องเข้าไปดับที่เหตุนะ คือปฏิจจสุบัสสายดับนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนกระทั่งพบชาติชลามรณะดับความตายก็ดับไปได้นะตกลงแล้วความตายเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเราเคยได้ยินว่าความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใช่ไ แต่ไปเจอธรรมะที่เป็นปฏิจจสวนผู้เจ้าบอกความตายไม่เที่ยงอา้าวตกลงแล้วความตายเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะนั้นความตายเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนภายใต้สังคตธรรมธรรมชาติฝ่ายขันห้าความตายมีแน่นอนขันห้าเกิดแล้วดับแน่นอนแต่ความตายจะไม่เที่ยงถ้าความตายไปเทียบกับวิมุตหรืออสังคตความตายสามารถดับไปได้นะผู้เจ้าจึงกัด เหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายว่าความตายเนี่ยมีเหตุเกิดและมีความดับเหตุเกิดของความตายคือปฏิจจสุบาทสายเกิดและเหตุดับความตายคือปฏิจจสุบาสสายดับนั้นความตายเกิดและดับสูญสิ้นไปได้นะก็เข้าถึงวิมุตต์หลุดพ้นจากความตายได้นี่น ะ, <c oughs> ะเราจะได้ไหลายๆแง่มุมนะอะ <c oughs> ตรงนี้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองเลยอย่างเช่นพวกเราเคยไปเดินห้างกันทุกคนเรามั้งเนี่ยเดินซื้อของเนาเคยไปเดินซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมมาใส่เวลาโยมไปซื้อเสื้อผ้าทําไมโยมอยากซื้อเสื้อตัวนี้นะไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นเสื้อในห้างในร้านมีตั้งหลายสิบตัวโยมไม่อยากได้ทำไมอยากได้เสื้อตัวนี้เป็นเพราะอะไร นิกออกมายอมว่ายัางไงดีเพราะอะไรยมอย่างเยงเพราะชอบใช่ไหมยมผู้หญิงตรงกลางตอบว่าชอบนะ <c oughs> มีใครไม่เชื่อยมผู้หญิงคนนั้นไหมบอกยมผู้หญิงคนนี้โกหกดิฉันเนี่ยซื้อเสื้อที่ไม่ชอบมาใส่มีไหมอ่าเกียรเกียรติเสื้อตัวนี้ซื้อมาใส่ซะหน่อยแพงก็แพงนะอ่าไม่มีใช่ไหมแสดงว่าทุกคนมีอาการจิตเหมือนกันนะคือเมื่อ มีความชอบแล้วจะเกิดความอยากใช่ไหม น, นั้นผู้เจ้าตัดไวถูกไหมว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากเห็นนะนั่นสัจจะของผู้เจ้าตรวจได้นะก่อนเกิดความชอบเกิดอะไรเกิดผัสสะนั่นเองโยมต้องมีตาไปเห็นเสื้อมีเสื้อมาให้ตาเห็นนั่นคือสัมผัสทางตามีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อมีไหมไม่มีนะ ต้องลืมตาซื้อเพราะอยากได้ผัสสะทางตานะแต่ถ้าหูยมฟังเสียงปับ๊บยมจะเกิดความชอบทางหูและเกิดความอยากทางหูยมก็จะจ่ายเงินซื้อซีดีมาเอามาฟังใช่ไหม อ, อย่างนี้ <c oughs> ผู้เจ้าบัญญัติถูกไหมว่าผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาตัณหาแล้วจะเกิดอุปทานความยึด <c oughs> ก็ยึดว่าจ่ายเงินซื้อนี่เสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเป็นของฉันละนะ เสื้อห้างหายโยมไม่ทุกเสื้อโยมหายโยมทุกนะใช่ไหมอ่าทุกเกิดขึ้นแล้วเห็นนะอุปทานเรามีอุปทานในสิ่งนั้นนะ <c oughs> นี่คือสัจจคความจริงที่ตรวจได้นะและโยมว่าคนฝรั่งมีเหมือนกันไหม <c oughs> เหมือนเนาะอ่าแขกก็เหมือนเนาะไทยก็เหมือนเนาะเพราะเป็นมนุษย์มีลู ก, กตาเหมือนกันนะมีหูเหมือนกันนะสัจจคความจริงตรงนี้ พระศาสดาพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมนี่ผ่านมา 2,000 กว่าปีโยมก็ยังตรวจคำผู้เจ้าได้ใช่ไหมนะธรรมะนี้เรียกว่าเป็นอัการิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเห็นน ะ, ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยโยมการเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามนั้นใครบอกว่าโอ้ยลอกมาผิดจำมาผิดยงตรวจเลยนะตรวจได้และเราจะเริ่มศรัทธาในคาของพระตถาคต อิสลามมีไหมมีเหมือนกันคลิปมีไหมมีเหมือนกันนะได้ข่าวว่า <c oughs> ครูโรงเรียนคลิตจะพาพวกอาจารย์นะมาฟังธรรมะตรงนี้ประมาณ 30-40 ี่คนที่วัดนะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ชาวคลิตฟังธรรมะนี้ก็ชอบเหมือนกันนะอิสลามไปฟังที่ไบเทคบางนาอาตมาไปพูดกับสามศาสนา พุทธคริสอิสลามเราตัวแทนพุทธมีตัวแทนคริส ต, ตัวแทนอิสลาม <c oughs> นักมาก็พูดเรื่องนี้เรื่องปฏิจจสุบตัตเป็นธรรมะที่ใครๆก็คัดง้างไม่ได้นะอิสลามเลยออกชอบมากเลยขอให้ทีวีอิสลามเนี่ยถ่ายทอดไปทั่วโลกธรรมะนี้นะเพราะนัะ้น อ, อิสลามมีความเชื่อแบบของเขาแต่เขาก็ต้องยอมรับธรรมะแบบนี้เหมือนกันเพราะนี่คือสัจจะของธรรมชาติ พรา ะ, ะนั้นผู้เจ้าเนี่ยเป็นนักสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เฝ้าสังเกตอาการของจิตกระบวนการทํางานของจิตแล้วบัญญัติออกมาบัญญัติออกมาบัญญัติออกมาอย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดอยู่ผู้เดียวในโลกจึงเป็นสัพพัญญูผู้เจ้าจึงบอกว่าถ้าจะสรรเสริญพระตถาคตให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้สรนเสริญว่าพระตถาคตรู้เรื่องปฏิจจสุบาทซึ่งความรู้นี้องค์ความรู้นี้ ไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้แน่นอนผู้จ้ายืนยันโยมจะไปหาหลักฐานในปิรามิดในถ้ำในอะไรก็ตามไม่มีทางเจอนะเพราะผู้ย่าวย์จะพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกในโลกและไม่มีใครรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เราไปเจอในถ้าเช่มอัอฟกานิสถานพอพบับพิลุกตาลิบันถูกระเบิดทิ้งทําลายนักโบราณคดีเข้าไปสืบคน้นในถ้าเจออะไรเจอซากใบลาน นะเศษซากใบลานแตกเป็นสิ่งๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์มาให้ชาวพุทธได้ชมกันนะ <c oughs> คือตัวนี้นะเศษซากใบลานเอามาปฏิปะต่ะต อ, อกันนะได้เป็นแผ่นใบลานนะ <c oughs> เป็นแผ่นใบลานอย่างนี้ <c oughs> แปลมาเป็นภาษาไทยซี่เป็นยังไง ร, รู้เรื่องอีกต่างหากนะพอแปลมานะปรากฏว่า พูดว่าอย่างนี้อริยาสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคาหกทางเป็นอย่างไรเล่านะนี่ฝรั่งเขาแปลนะไม่เกี่ยวกับคนไทยเลยนะถ้าแปลภาษาไทยรู้เรื่องด้วยนะอะข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะโภคาจะเสื่อมเพราะการดื่มสุราเมลยัยการตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิการเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา การตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนันนะคบมิตรชั่วความเกียจคานกลายเป็นว่าอบายามุขโกที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเขาพูดกันมาสองพันกว่าปีแล้วนะนี่ไปเจอในธรรมเห็นนะนั้นองค์ความรู้พวกนี้จะตรงกันหมดทั่วโลกนี่คือคำของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าโยมเกิดมียุคไหนไปบิดเบือนคําพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่การพนันหรอกนะการคอร์รัปชันอย่างนี้อ ก็ไปคนละเรื่องอกันแล้วเห็นไหมนั้นแต่งเติมคําพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะต้องก๊อปปี้มาตรงๆเป็นองค์ความรู้ประเภทเดียวในโลกที่บัญญัติใหม่ไม่ได้นั้นมันต่างกับศาสตร์ความรู้ในทางโลกนะที่เราทําวิทยานิพนตรีโทเอกเราจะต้องคิดค้นคว้าเรื่องใหม่ๆออกมานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสุดแล้วจบแล้วไม่มีใครเก่งกว่าพระุทธเจ้าแล้วบัญญัติต่างๆจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ก่อนประลิพนิพาน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 เห็นนะสั่งลูกศิษย์ของท่านน่ะสาวกทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต์พระอริบุคคลขั้นใดก็ตามอย่าบัญญัติอะไรเพิ่มนะเห็นนะชัดเจนเจอข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยพระพูดอะไรใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนังสือที่เขียนเองบัญญัติเองคําพูดที่บัญญัติเองไม่ได้แล้วพระจะเทศได้ยังไงอ่ะโยมพระจะต้องเทศจากอะไรพระจะต้องเทศหรือบอกสอนจากสัญญาคือความทรงจํานะ พระจะต้องเทศจากสัญญาความทรงจําแล้วเอามาพูดนะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนอาตมาก็เทศจากการปรุงแต่งเหมือนกันเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนมาต้องพูดเองนะออกมาจากการปฏิบัติเองเราก็ยกคํำผู้เจ้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปแต่พอมาศึกษาพุทธวจนะจริงๆแล้วพระศาสดาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นหลักมหาประเทศสี่ที่ผู้เจ้าบอกไว้เวลาข้อมูลผิดพลาดคาดเคลื่อนผู้เจ้าจึงตําหนิว่าพระรูปนั้นเนี่ยจำมาผิด ไม่ได้คิดเองไม่ได้ปรุงแต่งเองนะจำมาผิดแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะไม่ไปโทษอะไรกันมากแค่จําผิดก็ละทิ้งความจําที่ผิดนั้นไปเสียหลักมหาประเทศสี่อย่างนะคนจะอ้างว่าหนึ่งจำมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าอ้างว่าจํามาจากคณะพระเถระอาวัตนัาวัตนี้นะเอาพระเถระวัดนั้นวัดนี้เนี่ยจํานวนมากเลยเขาพูดมาอย่างนี้อ้างว่าจํามาจากคณะพระเถระผู้หูสูตรนะอาวัตรนัาวัตนี้ 4อ้างว่าจํามาจากภิกษุปูสูต ร, รูปหนึ่งอาวันนาวันนี้เก่งมากเลยภิกษุรูปเนี้ยนะเป็นภูษุรูปสี่ข้ออ้างเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านน ะ, ะพวกเธออย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่คัดค้านเธอกําหนดเนื้อความนั้นให้ดีจําให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วนําไปสอบสวนในสูตรนําไปเทียบเคียงในวินยัยถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่า นั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วพิกษุรูปนั้นจำมาอย่างดีแล้วพวกเธอพึงรับเอาไว้ถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นจำมาผิดพวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นเสียทิ้งไปซะนะอย่าไปสืบต่อมันเป็นเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิมตีเสริมเข้าไปนะเธอทั้งหลายพึงจํามหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้จําไว้นะหลักการนี้เป็นหลักการ ป้องกันความเสื่อมของคำตถาคตในอนาคตการนะเห็นนะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันปกป้องคำพระตถาคตหลักการทุกอย่างบัญญัติไว้เพียบพร้อมหมดแล้วช่วยกันใช้นะและนะวันนี้เราตรวจสอบได้วินาทีเดียวแป๊บเดียวใช้อุปกรณ์พวกนี้นะอ่าก็แสดงหลักฐานที่มาที่ไปทั้งหมดให้พวกเราเห็นให้พวกเราได้ทราบชี้ข้อมูลที่ปิดชี้ข้อมูลที่ถูกให วิธีในการตรวจสอบน ะ, ะทุกอย่างง่ายนะเราก็คงพอเข้าใจนะอย่างสมมติว่าเราจเจริญอนาปานะเราลองคีย์คำว่าอนาปาเข้าไปนะ <c oughs> ดูวิธีตรวจสอบอีกอันหนึ่งอนาปานัสติเอ๊ผู้เจ้าสอนหรือเปล่าน้ากดค้นหานะข้อมูลขึ้นมาแล้ว อยู่ในเล่มที่19นะสยามรัฐเล่มที่19หรือสุตตันตปิฎกเล่มที่11สั่งยุตตนิกยนยะหน้าที่319นะหัวข้อที่1307ดูก่อนพิุ่นหลยอาณาปานัสติอามีอันบุเคเินเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีนิสงมากบาลีมีไหมเพราะอาจจะมั่วก็ได้การแปละนะกลับไปดูบาลีอีกทีหนึงหัวข้อเดียวกัน 1, นึ7 อาณาปานสติพิกเวภาวิตาภาวิกาตามหาพลานี่อ่ะมีจริงนะตรงกันเห็นนะง่ายๆตรวจอย่างนี้นะบาลีไทยขึ้นหน้าต่อหน้าโชว์ให้ดูเลยแล้วในโปรแกรมนิยมก็สามารถศึกษาภาษาบาลีไปด้วยในตัวได้นะเพราะคำมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้ <c oughs> จะให้ดูอีกคํานึงซึ่งใช้การเทียบเคียงอย่างนี้เคยได้ยินคาว่า อารูปฌานมะรูปฌานอารูปฌานคงเคยได้ยินนะปรากฏว่าสองคำนี้ผู้เจ้าไม่เคยพูดทั้งชีวิตเลยน ะ, ะเราลองดูอันนี้มาเทียบเคียงให้ดูนี่ภาษาบาลีนี่ภาษาไทยนะคอมพิวเตอร์หาให้เจอคำว่าอารูปฌานที่เป็นพุทธวจนะมีพระสูตรเดียวเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเป็นอัตกถาหมดเลยเออไม่ใช่าตต้องเรียกใหม่ให้ถูกว่าเป็นสาวกภาสิตาคือคาที่สาวกพาษิตใหม่ นะนั้นเราเช็คดูคำหน้าคำหลังนะแล้วก็ย่อหน้าเดียวกันเล่มข้อหน้าเดียวกันทั้งหมดอลองไปดูคำว่าอรูปฌานภาษาไทย <c oughs> มีคำนี้จริงหามาได้นะอยู่ในเวลีคำพูดพู้เจ้าไหมดูก่อนอานน่เป็นคำพระเจ้ามีแค่พระสูตรเดียวเท่านั้นนะในพระสูตรเดียวนี้ ดูคำหน้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขั้หลังโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคกลับไปดูบาลีซิเวทนาคตังสัญญากตังสังขารกรตังวิญญาณครตังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขั้งหลังไม่เที่ยงคืออณิจเจอตเป็นทุกข์คือทุกขโตเป็นโรคคือโรคกโตตรงกลางไม่ใช่อรูปฌานเป็นคำว่าเตธรมเมนะแล้วไล่ดูทุกบรรทัดก็ไม่มีคำว่าอรูปฌานคำนี้ถูกแต่งขึ้น และไปสแกนที่ไหนก็จะไม่เจอคํานี้เลยผู้เจ้าไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตเห็นนะแต่เราใช้มาเป็นสิบสิบปีอาตมาก็เคยใช้เดี๋ยวนี้ต้องเลิกใช้ใช่ไหมเพราะเรามีวิธีตรวจแล้วนะอืมอันนี้ให้ดูซึ่งเราสามารถตรวจเองได้ไม่ต้องพึ่งอาตมาพึ่งตัวเองเลยหน้าวันนี้อาตมาพูดอะไรอาตมาก็ต้องระวังเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาสแกนกันได้ทั้งนั้น พูดผิดปุ๊บอาจารย์ครับอาจารย์อันนี้ไม่มีนะครับนะเขาเอาข้อมูลมาแย้งเลยนะ <c oughs> เหมือนคำว่าอัตถกถาที่เราใช้มาตลอดเราใช้ตามมหามุกุฏปรากฏว่ามหามงกุฏก็รู้สึกว่าจะใช้ผิดด้วยนะ <c oughs> มามมกุฏใช้คำว่าพระสูตรและอัตถกถานะ <c oughs> ซึ่งในเนื้อหานี้ <c oughs> จะมีคําพระพุทธเจ้าและคาที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ใช่อ่า คำผู้เจ้าหน้าหนึ่งแต่งใหม่ไปสักสิบยี่สิบหน้าคำผู้เจ้าอีกหน้าหนึ่งแต่งใหม่ไปห้าหน้าสิบหน้านะนั้นในเนื้อหานี้บ่งบอกถึงข้อมูลสองชั้นชั้นหนึ่งคือพุทธวจนะอีกชั้นหนึ่งคือสาวกภาษิทธิ์คำที่แต่งขึ้นใหม่แต่เขาใช้ว่าพระสูตรนะคือคำผู้เจ้าและอัตกถาอัตกถาเขาหมายถึงคําที่แต่งขึ้นใหม่นะแต่จริงๆเขาต้องใช้คําที่ถูกต้องว่าตถาคตภาสิทธิกับสาวกภาษิตานะเพราะมี ลูกศิษย์ท่านหนึ่งของอาตมาเองนะเขาก็แย้งว่าอ้าวพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ศึกษาอัธกถานี่ครับเขาไปยกพระสูตรในวินยัยนะมีเมมโมรี่ไปไหมอ่ า, า, อาเดี๋ยวจะขึ้นพระสูตรให้ดู <c oughs> เขาแย้งว่าอาจารย์ครับนี่ไงผมไปสแกนเจอแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาอัธกถาอืมเขาก็ยกพระสูตรนี้มา <c oughs> อ่าไม่ใช่ต้องพ ส, สูตรในอีกอันหนึ่งที่เป็นหัวข้อ8ปสิบสองนะอ่าที่เป็นวินัยอันนี้เป็นเป็นคำพูดเจ้านะนั้นเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> <c oughs> อ่านี่8ปสิบสองมาละดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อุปชายะพึงประพฤติชอบในสัตว์ที่วิหาริกคือแปลว่าลูกสิทธิ์วิธีประพฤติชอบมีดังต่อไปนี้อุปชาพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตธิวิหาริกด้วยการสอนบาลีและอัตกถานี่เขาบอกนี่ง่ายพระเจ้าบอกให้เรียนอัตกระถาและเข า, เขาก็ตามนี้คืออัตกถาคือคําสาวกภาสิทธิขึ้นใช่ไหมคือคําที่แต่งขึ้นใหม่เขาบอกนี่ง่าที่แต่งขึ้นใหม่พระเจ้าให้ศึกษาซึ่งจริงๆแล้ว เราจะต้องสังเกตว่าคํำผู้เจ้าเริ่มขัดแย้งกันละกันในสิพระสูตรนี้ที่อาตมายกขึ้นเมื่อต้นชั่วโมงซึ่งคํำผู้เจ้าขัดแย้งกันไม่ได้เพราะผู้เจ้ายืนยันว่าคําตถาคตทั้งชีวิตตั้งแต่ตัสรู้ถึงบริสุิพผ่านไม่มีการขัดแย้งกันมันต้องมีพระสูตรใดผิดสักพระสูตรหนึ่งเราไปดูพระสูตรนี้ <c oughs> ตอนี้เราก็พลิกไปบาลีนะพอพลิกไปบาลีปั๊บเนี่ยปรากฏว่าคําว่าบาลีและอัตตกถาไม่มีนะ เป็นภาษาไทยที่แปลแต่งขึ้นใหมาเองนะยมลองไปดูตัวต่อตัวนะประนั้นผู้เจ้าบอกนี่ <c oughs> นะอืมสังฆเหตะโพนะพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์อนุเคราะห์เหตะโพนะพอบอกว่าสอนบาลีผู้เจ้าใช้คำว่าอุดเทเสนะ ไม่ได้สอนบาลีนะอุดเทเสนาะอุทเทศหมายถึงการแสดงการสวดการบอกนะการแสดงขึ้นคืออุปชาเนี่ยจะต้องพูดคําพระเจ้าให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อให้ลูกศิษย์นั้นทรงจําอย่างนี้เรียกว่าอุดเทเสนะหรืออุทเทศนะยกขึ้นแสดงยกขึ้นสวดนะส่วนที่เขาบอกว่าด้วยการสอนบาลีและอัตถกถาเนี่ยและอัตถกถานั้นบาลีใช้คําว่าปาริปุจฉายะ ปริปุฎชายะปุฎชานะ่ะเหมือนนะอ่ะปุจชาวิสัชนานะแบบคําภาษาไทยก็คือซักถามกันสอบถามเพราะฉะนั้นโยมไปเปิดในพระจา้าเนื้รมปริปุฎชายะจะหมายถึงการซักถามทวนถามกันเมื่ออุปชา ย, ยกคําพระเจ้าขึ้นแสดงแล้วลูกศิษย์สงสัยก็ต้องซักถามสอบถามกันว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปแปลเองว่าเป็นสอนบาลีและอัจฉริยอันนี้ภาษาไทยแปลเกิน นะในบาลีไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุเทเสนะและปริปุฉายะนะโอวาเทนะด้วยการให้โอวาทนะอันนี้แปลตรงเห็นนะและอนุสาสนีอนุาสาสนิยาตรงทุกคำตรงหมดเลยมีสองอันเนี่ยที่ใส่เกินเห็นนะเหมือนอรลูประชานนะ ล, ลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างให้ดูชัดๆอย่างนี้นะนั้นโ <c oughs> ดยความหมายของคำว่า อัตตะคือแปลว่าความหมายแห่งคําพูดเมื่อพูดบทพันธสัญญาขึ้นมาพนันธสัญญาบทพััญญาหนึ่งแล้วความหมายนี้คืออะไรเช่นพูดว่าขันห้าอา้าแล้วขันห้าคืออะไรขันห้าใบเหรอไม่ใช่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คืออัตตะแห่งภาสิตนะอัตตะแห่งบทพันธสัญญานั้นๆที่ภาสิตขึ้นมาโดยตถาคตอย่างนี้และรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไร ก็จะมีความหมายแห่งบทพจนะนี้อีกเช่นสัญญาอัฏฐาของมันคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งอย่างนี้นี่เรียกว่าอัฏฐาซึ่งอัฏฐานี้มีในพุทธวจนะไหมเราสแกนหาอีกหาไปจนเจอนึกว่าจะไม่เจอพระเจ้าใช้คําว่าอัฏโถนะอัฏโถหมายถึงอัฏฐาแห่งภาสิทธนั้นๆนะอยู่ในพระสูตรที่ตัดกับพระเจ้ามหาวิจิตราชนะคือตัวนี้ นะอืมแต่พระองค์มิได้ทรงทราบอัฏฐะแห่งข้อที่ทรงศึกษาและภาสิทธ์นั้นๆไปดูบาลีพิกกลับไปบาลีนะ <c oughs> นะพอพิกกลับไปบาลีปั๊บนี่นะอ่าพาสิทนี่นะอ่าพาะสิทธะอัฏโธนะพาะสิทธะอัฏโธเนี่ยัวอัฏโธก็คืออัฏฐะแห่งภาษิทธ์นั้นๆ นี่ตัวนี้นะาสิตนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ต้องใช้ใหม่ต้องใช้คำว่าตถาคตภาสิตาและสาวกภาสิตานะอ่านะัะ้นณะ <c oughs> นะวันนี้เราต้องเอาข้อมูลมาสู้กันนะ <c oughs> เพื่อให้ถูกต้องถูกต้องเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะอะ่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าถึงสัจจะที่แท้จริงหลุดพ้นจากความตายจริงๆไม่ใช่หลุดพ้นแบบปลอมๆน ะ, ะเราเคยกรวดน้ำกันไหมเคยใช่ไหมกรวดน้ำมีไหมนะลองไปสแกนดูนะเราก็คีย์คาว่ากรวดน้ำเข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้าในพระธรรมปิฎก เราก็ไปสแกนลินน้าหลังน้าลดน้าเทน้ำนะอ่ะาก็จะเจอพวกนี้ชันเจอหลังน้ามีแต่ก็ไม่ใช่ที่เป็นพระตถาคตตรัสก็คือพระเจ้าปิมพิสารเนี่ยหลังน้าเพื่อจะถวายน ะ, ะสิ่งที่มันยกไม่ได้นะผืนดินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะนั้นผู้เจ้าไม่ได้รับรองนี่ว่าการหลังน้าคือถูกต้องนะแต่ทำได้ปล่อยเป็นกลางๆเหมือนการกระทา ประทักศิล น, นะเวียนสามรอบนะเป็นการกระทําการเคารพของพวกเทวดาพวกพรหมอย่างนี้พิสูจทําำไหมเจอพิสูจน์ทำเหมือนกันกระทําประทักศิลแล้วก็จากไปแต่ผู้เจ้ารับรองไหมไม่ได้รับรองปล่อยเป็นกลางกลาเฉยเฉยไม่ตําหนิไม่รับรองนะไม่รับรองไม่คัดค้านแต่เวลาผู้เจ้าสอนสอนอะไรสอนอัญเชลีอภิวาทการไหว้และกราบเห็นนะนี่นั้นต้องเอาตามที่ตถาคาตฟาสิทธิ์นะ ของบางอย่างผู้เจ้าปล่อยเป็นกลางๆ ก, ก็ไม่ไม่ถูกไม่ผิดแล้วแต่ใครสะดวกจะทำนะอย่างนี <c oughs> ้พอเข้าใจน ะ, ะทันนี้โยมบอกว่ากรวดน้ำไม่ได้คนหลายคนก็เลยบอกอา้าวแล้วผมจะอุทิศบุญกุศลอย่างไงนะเพราะเราไปคิดว่าการอุทิศบุญกุศลจะต้องมีน้ำามีแก้วจริงๆแล้วผู้เจ้าสอนอุทิศบุญกุศลไหมสอนสอนไว้ในไห น, ไหนในเรื่องของทิศ61 ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ของคารวาสนะะนั้น <c oughs> ลองไปดูในทิฏหกก่อนก็ได้ในเรื่องของทิฏหกเห็นไหมเมื่อ <Ms. S 1> <s ans> ท่านทำกาละลุ่งลับไปแล้วเราจะกระทาทักษิณาอุทิศท่านอ่าผู้เจ้ามีสอนอแสดงว่ามีการสอนการอุทิศบุญกุศลสอนการแผ่เมตตาเอ๊ะแล้วผู้เจ้าสอนยังไงทำยังไงต้องวิ่งเตรียมน้ำเตรียมแก้วไหมไม่ต้องไปดูทีต่ตรัตกวาเษฐะนะ พระ อ, องค์ตรัสกับวาเสษถาว่าวาเสถะเมื่อพิสูจน์นั้นมองเห็นนิวรณทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วโยมต้องเตรียมจิตให้ละนิวรณให้ได้ไม่ใช่เตรียมน้ำเตรียมแก้วนิวรณ์ห้าคืออกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรณหกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่ผู้เจ้าตัดเอาไว้นะเพราะนั้นพระ อ, องค์บอกว่า เมื่อละนิวรณ์ห้าได้แล้วปลาโมทย่อมเกิดปิติย่อมเกิดเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองสาสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีภัยบาตกว้างขวางประกอบด้วยคุณนันใหญหลวงไม่มีขีดจํากัดแล้ว ล, วลวอยู่ว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใ ด, ดเมตตาเจโตมุตก็เหมือนกันหลักการจัดไว้แล้วเพราะนนั้ เราต้องการให้บุญกุศลถึงญาติหรือไม่นะถ้าต้องการให้ถึงเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์นะอย่าไปวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วนะนั้นข้อมูลผิดสาวกภาสิตาคําสาวกบัญญัติขึ้นละทิ้งไปซะเป็นเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิ่มคำสัสดาจะค่อยๆ อ, อ, อันตรธานหายไปจากโลกนะนั้นกลายเป็นชาวพุทธไม่รู้จักนิวรณ์หที่ตนเองต้องละในขณะที่ต้องการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลหรือแผ่เมตตานะปรับใหม่ ทุกเรื่องเลยเยอะนะหลายเรื่องวันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเห็นชัดๆนะเราจะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปศึกษาพุทธวจนะนั่นเองไม่ต้องการอะไรไม่ต้องศึกษาคำอาจารย์คริกลิศอาจารย์คกฤคลิศไม่มีคาสอนนะศึกษาคำพระศาสดาของเราเองนะแล้วเราจะเป็นสาวกอย่างเต็มความภาคภูมิใจนะมีใครสงสัยอะไรม ถ้ามีข้อสงสัยก็ซักถามได้นะถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวอรตมาจะโยงเข้าพุทธวจนะเองนะครูเจ้าตอบไปแล้วทุกเรื่องในโลกธาตความเห็นของมนุษย์เนี่ยมีหกสิบสองแบบมนุษย์คิดไม่เกิดนี้ทั้งโลกนะพรเจ้ารู้หมดนะเรียกทิฏฐิหกสิบสอง ในแผ่นพับแผ่นนี้นะอาจจะบรรจุข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะที่ตรัสถึงความสำคัญของคำพระตาตาคตเช่นว่าความสามารถของผู้เจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดไม่แต่คำเดียวซึ่งไม่มีสาวกคนใดทำได้นะคำพูดของผู้เจ้าไม่มีการขัดแย้งกัน นะนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนปล้ำสอนแสดงออกซิ่งถ้อยคําใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยมีสายมีนิกายไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งเดียวนะ่ะนั้นถ้าพระทุกรูปในประเทศไทยกลับมาใช้พุทธวจนะนะศานะสนาจะเป็นหนึ่งเดียวจะเกิดสังฆสามัคคีกันทั่วโลกนะนี่ มีจุดร่วมกันเช่นเน no, no, no. no, no. ่ยลบเสียงออกนะออกปรับตรงตรง พิกรพระอาจารย์ครับมีเรื่องที่ชาวพทุทธเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเ <c oughs> จ้ากรรมนายเวรอ๋อความกระจรังจะทัดจากพวกเจ้าได้ครับผม ค, ครับอ๋ อ, อ, อคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าโยมไปสแกนคํานี้ตรงๆเนี่ยจะไม่มีจะไม่พบนะจริงๆก็คือเป็นการผูกเวรนะของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นนี่แหละที่มันผูกเวรกันนะ นั้นมีคำว่าการจองเวรการผูกเวร น, นะซึ่งผู้เจ้าจะบอกว่ากรรมไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยหรือการจองเวรกันให้ละตรงนีนะ้นั้นตัวเจ้ากรรมในเวรจริงๆก็ไม่มีมีโดยสมมุตินั่นเองจะว่าไม่มีจริงก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าในกอมีไหมในกอไม่มีจริงมีชั่วคราวนะในขอมีชั่วคราวนั้นการผูกเวรกัน มีภายใต้อวิชชาถ้าอาวิชชายังมีอยู่การผูกเวรย่อมมีแต่ถ้าหมดอวิชชาการผูกเวรก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีกรรมยกเลิกหมดเลยนะเพราะในระบบของวิมุตินั้นไม่มีขันห้าระบบของกรรมคือระบบของขันห้านะผู้เจ้าบอกเลยว่าขันทั้งสี่เนี่ยเป็นกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและจิตเป็นคนเข้าไปรู้สี่ขันนี้สี่ขันนี้จึงถู ก, ถกเรียกว่ากรรมหรือวิญ ญ, ญาณทีติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะ กรรมเป็นอย่างนี้นะหรืออีกอุ ป, ปมาหนึ่งกรรมเปรบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนน า, าเรียกว่ามีกรรมและกรรมเกิดขึ้นและผืนนานี้แบ่งเป็นสามระดับนะกรรมมาพบรูปประพบรประลูกประพ บ, ปพบเป็นผืนนาดีนาปันกลางนาเร็วอย่างนี้เนี่ยเราต้องสืบค้นจากคำพระศาสดาทั้งสิ้นเลยไม่สามารถหาได้จากคาสาวกคนใด <c oughs> อย่าลืมไปอ่านพระโสดาบันกันนะในแผ่นโปรแกรมน ะ, ะจะได้ตรวจความเป็นโสดาบันได้ด้วยตนเอง เขาถามว่าปัจจุบันทุกวันนี้ยังต้องปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่การสวดมนต์ก็อยู่ที่ว่าโยมสวดตถาคตภาสิทิ์หรือสวดสาวกพาสิทธิ์เละถ้าสวดตถาคตภาสิตธิควรสวดเพราะพระุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการสาธยายธรรมการสวดมนต์เรียกว่าสาธยายธรรมบาลีใช้คำว่าสัชายะ สัจชายะคือการสาธยายธรรมประโยชน์ของการสาธยายธรรมไม่ต้องคิดเองผู้เจ้าคิดไว้ให้แล้วนะในหนังสือสดสาธยายธรรมเล่มนี้นะผู้เจ้าบอกไว้ถึงเจพระสูตรนะหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุติเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทําให้ไม่เป็นมนทินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรนไม่เบียดเบียนเป็นเหตุได้รักความง่วงได้ นี่คือประโยชน์ของการสวดมนต์หรือสาทยายธรรมนั่นเองนะนั้นสาทยายธรรมที่เป็นเปนเพื่อวิมุตจะต้องมีอาการอย่างนี้ 1. ต้องเป็นคาพระพุทธเจ้าเพราะนั้นโยมกลับไปดูก่อนว่าสิ่งที่โยมสวดเป็นตถาคตภาสิทธิ์หรือไม่ 2. ต้องเข้าใจไม่ใช่สวดเอาขลังสวดบาลีอย่างเดียวก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน 3. เกิดปิติจากความเข้าใจในธรรมนั้นนะอ่าเกิดความสุขห้าจิตตั้งมั่น ผู้เจ้าบอกว่านี่คืออาการของศาธยายธรรมที่จะเป็นไปเพื่อวีมุตในพระสูตที่สองที่ใส่ไปในนี้นะเพราะนั้นสามารถทำได้นะอ่ากลับไปที่สถาโคตภาสิตตายแล้วไปไหนนะ <c oughs> ตายแล้วไปไหนวัชชะถามเคยถามผู้เจ้าว่าหลังจากกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่ อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้ไกลหมายผู้เจ้าบอกตันหาวันนั้นตายแล้วก็คือไปเกิดอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการไปเกิดคือตันหาความอยากวันนั้นเราเองเป็นผู้กำหนดการเกิดไปโทษใครไม่ได้นะไม่มีใครมากำหนดการเกิดของพวกเรานะตันหาของเราเองเป็นตัวพาเราไปสู่อารมณ์อันนั้นแล้วเราจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นนั้นไม่มีใครเป็นพระเจ้าหรือผู้คุ้มกฎมาสั่งให้โยมไปโน่นไปนี่นะ ตัณหาเราเองพระตถาคตจัดไว้กับวัชระนะ <c oughs> สองเกิดมาทําไมเกิดอาตมาถามโยมว่าฝนตกทําไมแดดออกทําไมน้ําขึ้นทําไมโยมตอบได้ไหมก็มันเป็นธรรมชาติของมันนะคำถามที่ถูกต้องโยมควรจะถามว่า <c oughs> เกิดมาเพื่อรู้อะไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดพระตถาคตจะตอบว่าต้องรู้อริยสัจสี่เป็นความรู้เร่งด่วนอันดับหนึ่งที่เราจะต้องรู้ ยิ่งกว่าไฟไม่ผมบนศรีรษะนะไฟไม่ผมบนศรีรษะเนี่ยบอกสาวกเธอจะทำอะไรก่อนสาวกว่าดับไฟก่อนผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะผู้เจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกําลังลุกโรลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทําโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุตสาหาอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปทัญยะ เพื่อรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงซึ่งอริสัต์ทั้งสที่ตนยังไม่รู้เฉพาะแค่นั้นเองนะอริสัต 4, ย์สี่ง่ายๆคือเห็นสองอย่างเกิดกระดับแค่นั้นโยมเห็นเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆแค่นี้สุดยอดแล้ว <c oughs> การอุทิศนกุศลด้วยวิธีกรวดน้ำควรจะมีหรือไม่ถ้าตามความเห็นพระศาสดานะในหลักมหาประเทศสี่ผู้เจ้าบอกคาที่พิสูจน์นั้นจาผิดมาควรจะทำยังไง ละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียนะอาตมาไม่ได้ตอบนะผู้เจ้าตอบแทนให้โยมแล้วนะเดี๋ยวอาตมาว่าอาตมาไปคัดค้านนะครัธรรทเนียมประเพณีอะไรของเขาแต่นี่เป็นกัลยาณวัตรวัดอันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านะถ้าโยมรักพระพุทธเจ้ารักพุทธศาสนาโยมจะต้องรักษากัลยาณวัตรของพระองค์ไว้ <c oughs> ซึ่งพระองค์จัดไว้กับพระอานนท์ว่าอานนท์ ความขาดศูนย์แห่งกรารยานวัฒนี้มีในยุคแห่งบุตรใดบุตรนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุตรทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกรารยานวัฒนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกรารยานวัฒนที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยอย่าเป็นคนสุดท้ายในวัดอันดีงามที่พระองค์ตั้งเอาไว้นะ โยมจะทำยังไงไม่ให้โยมเป็นคนสุดท้ายไหนะบอกมาซิจะทำยังไงโยมจะต้องส่งไม้ต่อนะโยมจะต้องยืน่นพุทธวจนะไปให้ลูกและหลานโยมว่ลูกจำไว้นะนี่คำพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกต้องจำไว้นะส่งจำไว้และก่อนลูกตายลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายนะทำแบบพ่อนะลูกต้องส่งไปให้ลูกของลูกว่านี่คือพุทธวจนะแล้วศาสนาจะดำรงอยู่ได้ในโลกไม่ขาดสูญนะ อย่าเป็นคนสุดท้ายในคําสอนของพระองค์นะนี่พระองค์สั่งไว้แล้วกับพระอานนท์น ะ, อ, ะอยากให้อธิบายเรื่องบาปบุญตามพุทธวจนะป้า ป, ปากานางอากุสลานางบาปอากุศลคืออะไรผู้เจ้าบอกอากุศลคือนิวรห้านะ กุศลกุศลาสีคือสติปัฏฐานสีไปดูพระสูตรนี้ได้เอาตามพุทธวจนะเลยเป๊ะๆนะ <c oughs> ภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่านิวรณ์ทั้งห้าคืออกุศลาสีกองอกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะอกุศลอาอกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรนิวรณ์ทั้งห้าคืออะไรกรรมชันทะพยาบาทีนมิธอุทจักกุกุจาวิจิกิจชา ส่วนสติปัฏฐานสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องคือสติปัฏฐานสี่แค่นั้นเองสติปัฏฐานสีน่นี้พระตถาคตอธิบายด้วยอนาปานาสีเพียงอย่างเดียวรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่โยมรู้ลมไหลเข้าไหลออกสุดยอดของกุศลแล้วอยู่จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเอาจิตอยู่กับกายจนเวลาสุดท้ายของชีวิตโยมได้นิพพานแน่นอนนะเพราะพระผู้เจ้าตัดไว้อีกเช่นกันว่า กายยักตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมก็ไม่ลืมอมตะเหมือนกันอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานดูพระสูตรนี้นะนี่กายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมลืมกายยตาสติโยมก็ลืมอมตะเหมือนกันนะเพราะนั้นเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้ก่อนตาย ยาส่งจิตไปสู่อารมณ์ใดๆไม่ต้องไปคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรแล้วนี่คือสุดยอดของบุญกุศลแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าไว้นะ <c oughs> ทำบุญอย่างไรจะได้บุญมากที่สุดนะนั่งสมาธินะผู้เจ้าเปรียบเทียบในสมัยเป็นพรามณ์ชื่อเวลามะแจกทานเงินถานทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยสู้ให้กับสกัดทาคาเมีองค์เดียวไม่ได้ ไล่ามาไล่ามาไล่ามาจนพระหลานองค์เดียวนะไล่ามาจนถึงว่าให้กับพระหลานร้อยก็สู้นะสร้างกุติวิหารไม่ได้นะสร้างกุติวิหารร้อยก็สู้รักษาศินไม่ได้รักษาศินก็สู้ทําสมาธิไม่ได้นะทำสมาธิได้มากสุดเลยนะ <c oughs> คำสอนเกี่ยวกับการทําสมาธิอาณาปานสติสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเขาไว้ เมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้นะทำแค่นี้พอแล้วนะจิตเคลื่อนออกไปทํำยังไงละนันทีคือความเพลินเอาจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นนะสั้นๆง่ายๆวิธีทําบุญให้ได้บุญนะบุญคืออะไรบ้างให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญทําทานใ ห, ให้ได้บุญทําอย่างไร ทำโดยจิตปราศจากความตรณีนะคูเจ้าให้ละความตรณีความเห็นแก่ตัวในขณะที่กระทำจาคะนะการแผ่ส่วนกุศลมีบางท่านกล่าวว่าถ้าคล้องพระจะแผ่กุศลจะแผ่ส่วนกุศลออกไปได้นะอไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นสาวกภาสิตาแน่นอนเพราะพระในครั้งพุทธกาลไม่มีบอกเอาไว้ น ะ, ะเรื่องรูปปั้นรูปหลอ่อผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติในตรงนี้อา น, นิสงส์การสร้างกุติมีนะแต่อา น, นิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเอาไว้นะยมจะหาไม่เจอเพราะในคลังพุทธการไม่มีเรื่องนี้นะ <c oughs> ตายแล้วมีไหมที่ตกนรกขึ้นสวรรค์และจะได้เกิดใหม่อีกหรือเปล่ามีนะอย่างเช่นโสดาบัน จะไปเกิดในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเจคราวไม่เกินเจคราวจะได้เป็นพระหลานนะนั้นสวรรค์นรกมนะีคนที่ทำบาปอากุศลผิดศีลห้าเป็นประจำจะไปเกิดในนรกกัเนริชานเปรตวิสัยซึ่งพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่น ใ, นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในกกำนรกกัเนศิชานหรือเปลวิสัยนะส่วนเกิดขึ้นมาอีกได้ไหมได้ ไม่มีนรกถาวรนะข อ, อ, องเราไม่เหมือนรัฐที่อื่นนะนรกถาวรไม่มีเลวถาวรไม่มีนะแต่นานมากแค่นั้นเองความนานขนาดไหนผู้เจ้าบอกไว้อย่างนี้นะโยมเป็นมนุษย์เนี่ยตายไปแล้วแล้วมนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทันทีเนี่ยมีเยอะไหมผู้เจ้าบอกไม่เยอะน้อยขนาดไหน เพราะองค์เอาเล็บเนี่ยเคลียเศษจดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินในมหาปฐพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมีเมาก่ากันสาวกบอกว่ามหาปฐพีมากกว่าบอกนี่แหละสัตว์มนุษย์ที่ตายแล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บโยมลงไปเทียบเปอร์เซ็นต์กันล้กันกับดินในมหาปฐพีแล้วเทียบกับมนุษย์หกเจ็ดพันล้านคนที่อยู่ในโลกมันจะเหลือกี่คนกันที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกที่เหลือก็ บนยาวเลยนระกกาเนิดเดชานเปลิดวิสัยเทวโลกพมโลกอะไรไปกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกความนานในหลุมนี้เนี่ยนานขนาดไหนนะเปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ําท่วมถึงกันหมดเนี่ยเหมือนน้าทะเลอย่างนี้นะท่วมไปหมดทั้งโลกเลยนะมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกตก ในน้ํามีเต่าตาบอด1 0อปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกนี่แหละความนานนะที่เต่าตาบอดจะเจอแอกไม่ไผ่แล้วยืดคอเข้าไปในรนะนะูก็มีความนานเช่นเดียวกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ การได้มาเป็นอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไปสารไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันโอเคไหมนี่ความนานนะอ่าก็เราคงได้คำถามมาระดับหนึ่งพอสมควรแล้วสงสัยอ่าพระจะต้องไปฉันนะอ่าก็เดี๋ยว นิมนต์พระฉันแต่คารวาสยังฟังได้เนะาะคารวาสฟังได้นั้นพระไปสืบค้นต่อนะครับทุกท่านทุกองคในโปรแกรมผันนี้เดี๋ยวผมจะฝากให้ยมติ๋วไปให้นะครับ คำถามต่อไปบอกว่าบวชแล้วสึกกลับมาบวชอีกได้หรือไม่ได้สบายมากนะไม่มีบัญญัติห้ามนะแต่ถ้าบวชแล้วกลับไปเข้ารีดเดียรถีหรือไปสู่เปริพาชกทติอื่นผู้เจ้าไม่ให้บวชอีกแล้วนะแต่ถ้าโยมยังไม่ได้ไปไหนยังกลับมาบวชได้นะการปฏิบัติอนาปานสติ ตามที่กล่าวไว้เกิดดับแต่ปฏิบัติแล้วว่างเห็นอะไรนะเห็นแต่ลมหายใจกำลังเข้าออกการว่างนั้นคืออะไรอ๋อยังมีลมหายใจใช่ไหมนะแล้วว่างใช่ไหมว่างเนี่ยมันว่างไม่จริงนะมันยังมีการเกิดดับ สมาธิที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จะอยู่ในระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเพราะพอขึ้นจตุฌานแล้วอัศสาสะปัสสาสะจะดับลมหายใจเข้าออกจะไม่มีนั้นถ้าโยมยังยืนยันว่าโ ย, ยมมีลมหายใจโยมยังอยู่ในระดับฌาน1234และฌาน12ึ่สนั้นพระตถาคตบอกว่าขันห้ายังทำงานอยู่ยังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นยังมีสิ่งเกิดดับแต่โยมมองไม่เห็นเอง แค่นั้นเองนะคนเราเกิดมาใช้กรรมจริงไหมก็ตัวเราแหละเป็นก้อนกรรมเลยแหละนะเพราะฉนั้นเราก็จะเป็นไปตามระบบของกรรมนั่นเองนะไม่ได้ใช้กรรมอะไรเรานหะเป็นกรรมเลยหละและเป็นไปตามกรรมนะเรามีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะเราคือก้อนกรรมนะ นรกสวรรค์มีจริงไหมพระศาสดาบัญญัติไว้มีนะแบ่งชั้นแบ่งสัสดส่วนไว้ให้เสร็จนะอริยบุคคลนะขั้นต่ำจะไปเกิดในภพเทวดาชั้นไหนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะ <c oughs> การบังสกุลกระดูกในปัจจุบันถือเป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่มีที่พูะเจ้าบัญญัติไว้นะก็เป็นบัญญัติที่แต่งขึ้นใหม่ แล้วแต่เราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ส่วนอะไรบุคคลไม่ทําแล้วนะเพราะพระผู้เจ้าตรัสว่าโสดาบันนั้นจะไม่กระทําซึ่งวัตตะโกตัวละมงคลมงคลภายนอกของสมาพัรธ์เราอื่นอะไรที่เขาบอกนี้เป็นมงคลนี้เป็นมงคลแต่พระผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเขาจะไม่ทําเขาจะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าพระเจ้าก้าวซ้ายเขาจะก้าวซ้ายพระเจ้าก้าวขวาเขาจะก้าวขวานะและถ้าพระเจ้าก้าวลงไปในหล่มโครนโยมจะเดินตามไหม ผู้เจ้าก้าวลงโครนยมเดินตามไหมพระพัทธริผู้เจ้าบัญญัตินะบอกว่าเออพากันเลิกมื้อกลางวันเถอะนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพากันเลิกมื้อเย็นเถอะเหลือเช้ามื้อเดียว <c oughs> พระพัทธริบอกโก้ข้าพระองค์ทำไม่ได้ผู้เจ้าบอกว่า พ, พัทธริ เธอเป็นอริบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาผลานบ้างหรือไม่บอกอย่างเธอรู้ไหมอริบุคคเนี่ยแม้ตาถาคตจะ ก, ก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาไม่เชื่อว่าผู้เจ้าก้าวผิดนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะ <c oughs> <c oughs> พิธีการสวดพานยักษ์สะดอกเคราะมีในพุทธพจนะหรือไม่ไม่มีนะอันนี้เพิ่มเติมขึ้น การถวายเงินให้พระในพุทธวจนะกำหนดไว้อย่างไรให้ผ่านวิยาวจกรมีอธิบายไว้ในนิสสกีปัจิตีข้อที่10นะที่พระราชาส่งทูตมาเอาเงินมาเพื่อให้ทําจีวรให้กับพิสุแต่พอมาถึงดันเอาเงินให้กับพิสุพิสุต้องปฏิเสธว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคุณโดยการนะเมื่อเขายังต้องการให้งานนั้นสําเร็จประโยชน์เขาจะถามว่าก็ใครใคผู้เป็นวิยาวจกรของท่านมีหรือ พิสูจต้องการจีวรไหมล่ะถ้าต้องการจีวรผู้เจ้าบอกให้แสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัจกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของพิสูจน์ทั้งหลายนะอันนี้เป็นบทพิษณะที่พระตถ า, าคตตัดไว้ในปาติโมที่เป็นนิสกีปจิตีนะเรื่องการรับเงินทองดังนั้นให้ให้ผ่านวายาวัจกร <c oughs> มรแปดจะทําให้เข้าสู่วิมุตได้อย่างไรมรแปดจะเป็นเหตุให้ เราเนี่ยเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวเราของเรานั้นเป็นของเกิดดับไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรานะแล้วจะเกิดปัญญาถอนอุปทานจากสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยหละจะเข้าวิมุตติได้พระเจ้าอธิบายอย่างนี้พูะเจ้าบอกสาวกว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นเลขกวัดคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหม สาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกเป็นพ่ออะไรสาวกบอกว่าก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เราพระเจ้าบอกถูกต้องทํายังไงเธอจะเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็คือเห็นมันตั้งแต่เกิดจนทั้งดับโยมเห็นคนคนหนึ่งถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาโยมรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บนะเพราะว่าไม่ใช่เรานั่นมันคนคนนั้น โยมเห็นเขาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั่นแสดงว่าโยมกับเขาต้องเป็นคนละตัวกันเพราะขณะที่เขาตายไปแล้วโยมยังเห็นเขาอยู่แต่ถ้าโยมเป็นตัวเขาโยมจะไม่เห็นขี้เท่าตัวเองนะโยมเห็นซากของเขาแสดงว่าเรากับเขาเป็นคนละตัวกันนี่คือความแยบคายมากว่าถ้าใครคนหนึ่งเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดขึ้นจนกระทั่งแตกสลายหายไปคนคนนั้นจะเริ่มรู้ว่าผู้ที่สังเกตสิ่งนั้นกับสิ่งสิ่งนั้นเป็นคนละตัวกันเข้าใจไหม นี่วิธีการหลุดพ้นเข้าวิมุตเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าอ่ า, อาก็เหลือเวลาประมาณสักหนาทีนะเรลาจะตอบคำถามให้กระชับิ ด, ดหนึ่งโคดชงเจ็ดเป็นส่วนหนึ่งของมรค8หรือไม่โคดชงเจ็ดเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นปลายทางของมรค8โยมเดินทางมาจะมาทางไหนก็ตามปุ๊บเข้ามานี่นะ ก่อนบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายจะมีอาการโพชงเจ็ดเกิดขึ้นน ะ, ะเป็นอาการของจิตที่ใกล้จะบรรลุธรรม <c oughs> พระเครื่องที่ปลูกเศษโดยพระคาถาต่างๆมีจริงหรือไม่นะเช่นคาถาเมตตาสมเด็จวัละคังอ่เราไปดูสิกขาบทที่บัญญัติก่อนปฏิโมกผู้เจ้าห้ามอะไรบ้าง ห้ามดูหมอดูเลิกดูยามห้ามปลุกเสกห้ามทำน้ำมนห้ามสะเดาะเคราะ์โอ้โหยาวเลยถ้าพระาศาสดาประทับนั่งอยู่ตรงนี้ตกลงโยมจะเชื่อพระาศาสดาหรือจะเชื่อใครใช่ไหมโยมเลือกเอาพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติธรรมวินยัยกับพระสงฆ์ที่จำมาผิดนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกชันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้น ยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเขาเลี้ยงชีวิตผิดนะเพราะทําเดรลฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทําพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปลรยแก่โปรยลําปล่อยเข้าสารจุดไฟบูชาทําพิธีเสกเป่าทําพิธีพลีด้วยโลหิตหมอดูเอวร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีหมอทํายันกันบ้านเรือนเห็นไหมส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดนะ จากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเป็นสินของพระที่ละเมิดไม่ได้นะเว้นขาดนะจัดกับราชกุมารและมหาราชจาัดไว้ต้องก้าพระสูตรพูดซ้ำกันเก้ารอบนะนี่เพราะนั้นพระต้องกลับไปศึกษาพุทธวจนะจะได้ไม่ทำขัดกับาศาสดาตัวเองน ะ, ะก็ใครทาก็เลิกซะแค่นั้นเองง่ายๆนะเราก็ไม่ไปตาหนิอะไรท่านเพราะ เราก็เคยทำผิดกันมาทาั้งนั้นแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองทำให้ตรงศา ส, สนาจะได้รุ่งเรืองมั่นคงนะ <c oughs> อภินิหารที่โรงเรียนสอนมีจริงหรือเปล่า <c oughs> เช่นพูะเจ้าประสูตรมีดอกบัวเจ็ดดอกนะถาดข้าวลอยทวนน้ำอ๋ อ, อดอกบัวเจ็ดดอกเนี่ยไม่มีนะแต่การเก้าเจ็ดเก้านี่ยมีนะอ่ การกล่าวอาสภิวาจาคือวาจาที่ว่าเราเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกนี้มีนั้นต้องกลับไปดูพุทธวจนะคำต่อคำในพระสูตรในหนังสืออารสัตว์ในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ท่านผูธทธาท์รวบรวมเอาไวา้ก็คือตัวบาลีสามรัฐนี้เองที่เกี่ยวกับประวัติที่ผู้เจ้าเล่าด้วยพระองค์เองนะอธิบายสินห้าให้ชัดเจนไม่มีอะไรตรงๆ ต, ต, ตามนั้นนะไม่ฆ่า ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะอันนี้จะรวมไปถึงผู้หญิงที่มีมีเจ้าของแล้วน ะ, ะทั้งสามีทั้งภรรยานะเงื่อนงำในตรงนี้มีมากพอสมควรเพราะการแปลบาลีที่คาดเคลื่อนแปลไปเป็น เ, เรื่องหญิงที่มีเจ้าของเฉยเฉยเลยกลายเป็นฝั่งผู้ชายผิดฝั่งเดียวจริงๆก็ผิดทั้งสองฝั่งเหมือนกันน ะ, ะถ้าแปลบาลีอีกสัมนวนหนึ่งก็คือความมีเจ้าของซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนข้อที่สนั้นไม่โกหกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคำยาเพื่ purchase, อเชิดส่อเสียดยาเพื่อเชิส่อเสียดนั้นอยู่ในสัมมาวาจานะส่วนสินห้านั้นคือมุสาวาทเท่านั้นน ะ, อ, ะอีกสมอันไปอยู่ในมรัก8นะส่วนสุราก็ ก, ก็ตรงๆอ่ะนะสุรามีสุรามีไรนะการทำสุราประเภทต่างๆห้ามหมดนะ <c oughs> เรื่องของการผิดสินห้า ถ้าทำเป็นปกติจะเป็นไปเพื่อนรกก่เนโดยชานปลิดวิสัยถ้าเป็นวิบากอย่างเบาการฆ่าเป็นไปเพื่ออายุสัน้นการขโมยเป็นไปเพื่อความเสื่อมของโภคะการเมตสุวิชาฌานจะศัตรูจะมากนะมุสาวาทนะจะทําให้ถูกกล่าวตู่ด้คําไม่จริงจะถูกใส่ร้ายสุลาเป็นเหตุให้เกิดความวิปราสนี่วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์รักษาสินห้าสวดมนต์เจริญภาวนาสามารถไปนิพพานได้หรือไม่ ขอพระอาจารย์แนะนําทางสูญนิพพานแบบพุทธวจนะรักษาศีลห้าสวดมนต์ที่เป็นตถาคตภาสิทธ์น ะ, จะเจริญภาวนาตามหลักพุทธวจนะไปนิพพานได้แน่นอนง่ายๆรู้ลงใจใจละนันทีคือความเพลินแค่นี้ถึงนิพพานได้ <c oughs> คําของพระเจ้าที่คนป่วยคนชรลาควรฟังบ่อยๆนะคำของพระเจ้าที่คนป่วยคนชะลาควรฟังมี5้าอย่างหนึ่ง พินาความไม่งามของกายพินาความเป็นปฏิกูลของหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนี่คือห้าวิธีที่คนป่วยเจ็บไข้าลายใดถ้าไม่ห่างจาก5วิธีนี้ผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันคือตัวนี้ห้าตัวนี้จะทําให้แจ้งซึ่งเจโต ว, วิมปัญญาวิมุตติในทิฏฐธรรมนะหรือง่ายๆสั้นๆก็คือเธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะรู้ลมหายใจเข้าออก ก่อนสิ้นชีวิตจับแค่นี้พอนะอยากทราบเรื่องชานทั้งสี่นะฌานทั้งสี่ชานหนึ่งละอกุศลได้อกุศลมีลายสามอย่างการปฏิบัติเวรเบียนชานหนึ่งแล้วชานสองละวิตกวิจาร์ได้ความคิดในเรื่องธรรมะต่างๆละได้ชานที่สาม <c oughs> ละปิติได้ชานที่สี่ละสุขได้นะแค่นี้ชานหนึ่งสองสามสีนะ่เอาสรุปสั้นๆ ได้ยินคําพูดว่าเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นจริงจะทําบุญได้จริงหรือไม่ไม่จริงเทวดาก็ทําได้นะมีเทวดาที่ประเลนิพันในภพของเทวดาหรือคนที่ทรงจําคำสัจสรรได้อย่างคล่องป่ากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะไปบรรลุธรรมในภพของเทวดาด้วยอาการสี่หนึ่งเข้าละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เอง 2. เข้าไปได้ยินพวกพิกษุผู้มิลิทธ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทสาเข้าไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันเองแสดงว่า เทวดาก็มีการแสดงธรรมด้วยกันเองเห็นนะมีการาทำบุญรักษาสินภาวนาเหมือนกันนะและปรินิพานในพบนั้นได้นะสียอาการพบกับชาติในปฏิจจสุวัตรมีความหมายอย่างไร <c oughs> จิตยมรับรู้อารมณ์ปับ๊บนี่พบนะรู้ต่อไปเป็นชาติจะจบด้วยชลามอนะดับรับรู้ดวงใหม่จิตดวงใหม่เกิดขึ้นปับ๊บรับรู้อาการที่เข้าไปรับรู้คืออะไรตั้หา นะตัณหาเป็นตัวพาไปนะตัณหาพาไปตัณหาแล้วในปฏิจจะจะเกิดอะไรอุปาทานพอดวงจิตพาเข้าไปสู่อารมณ์จะมีการจับยึดถ้าตะมาไม่จับผ้าต้องหล่นใช่เพราะนั้นจิตต้องจับกับอารมณ์หรือตั้งอาศัยแนาลมจับแล้วเพลินต่อไปเรียกว่าสัญโยคะเรียกว่าชาติภพคือวินาทีแรก วินาทีที่ส34ี่คือชาติจิตเปลินแล้วมีสัญญาคะแค่นี้พบกับชาติไ <c oughs> ตลักษ์คืออะไรคําว่าไตาลักษ์เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่นะครูเจ้าไม่ได้บอกคํานี้แต่จะบอกอนิจจังทุกขังอนาตานะัตตานะไตลักษณ์ตามที่เขาบัญญัตินี้ก็คืออนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือแตกสลายเป็นทุกอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงทุกขังไม่ใช่ความรู้สึกทุกอย่างเดียวนะ หนังสือก็เป็นทุกคนก็เป็นทุกทุกอย่างในโลกธาตุที่แตกสลายได้นั่นคือทุกขังความทุกความรู้สึกทุกก็เป็นทุกขเพราะความรู้สึกทุกก็ดับไปได้แตกสลายได้มีใครทุกแช่ทั้งวันไหมไม่มีมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีความสุขก็เป็นทุกขคือความสุขเดินไปสู่ความแตกสลายได้นะผู้เจ้าจึงตรัสกับภาษาลิบุตว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข คือเดินไปสู่ความดับทั้งสิ้นนะจิตสุดท้ายก่อนตายควรกาหนดอย่างไรรู้ลมหายใจเขาไว้นะหรือกายคตาสติอยู่กับกายยาหนีออกจากกายนะวิญญาณขันจะบนในสีธาตุบนในรูปเวทนาสัญญาสังขารเอาจิตเกาะอยู่กับกายเข้าไว้แล้วละการเกิดในสามขันที่เหลือจิตจะไปคิดเรื่องอะไรก็ตามอย่าคิด คิดแล้วรีบทิ้งให้ไวกลับมารู้ลมหายใจหรือกายเข้าไว้และเมื่อกายแตกทําลายปั้งเข้าไปวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ผู้เจ้าอาธิบายไว้อย่างละเอียดว่าวิญญาณจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมาจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทำำํําาสรจแล้ว กิจอย่างอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้นะนี่คืออาการสุดท้าย <c oughs> นั่งสมาธิทุกเก้าชาญสามารถเข้าถึงยุทธได้ทุกระดับสมาธิมีเก้าระดับชาญมี4ระดับชาญไม่มี9ระดับนะคำว่าชาญในระดับที่ 5.. 6.. 7.. 8นั้นเป็นการไปเติมเข้าไปเองโยมไปสแกนจะเจอคำว่าชาญในอากาสาวิญญาอากินแต่นั่นคือการเติมใหม่ แต่ถ้าโยอมไปเช็คในบาลีผู้เจ้าจะใช้คําว่าอากาสานัญจายตระนังไม่มีคําว่าฌานจะไม่มีคําว่าฌานหรือฌานนะในสมาธิระดับอรูปเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของผู้เจ้านะตรวจทุกครั้งตรวจบาลีทุกครั้งนะแล้วโยมจะได้ความจริงทุกเรื่อง <c oughs> จะสามารถเข้าถึงวิมุตต์ได้ทุกระดับเลย4ระดับแรกผู้เจ้าให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5 3ระดับต่อมาให้เห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง4ี่ สองระดับต่อมาให้ออกจากสมาบัติเข้าสมาธิไปใหม่ออกมาใหม่เข้าไปใหม่ทำอย่างนี้แล้วจะหลุดผลได้อยากรู้วิธีปฏิบัติในแต่ละชานอ่ะบอกแล้วพอดีนิวรห้าคืออะไรบ้างกามชันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหนอนอุทัศจากกูจะจความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลหดแล้วขอให้อธิบายถึงสติสัมปชัญญะสมาธิสติคือการระลึกได้ เราเคยเพลินกับอารมณ์เช่นกำลังปรุงแต่งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยมระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจนี่อาการระลึกได้นี้เรียกว่าสติเมื่อสติมาแล้วจะเหลือสัมปัชชัญญะคือความรู้ตัวอยู่กับลมและถ้ายมทรงความรู้ตัวนี้ไว้ได้ต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าสมาธิเข้าใจไหแยกกันแค่นี้นะสติระลึกได้เกิดสัมปัชชัญญะสัมปัชชัญญะต่อเนื่องนะอยู่กับลมได้นานๆเรียกสมาธิแค่นั้นเอง คำถามสุดท้ายในมือนะในประเทศไทยมีพุทธศาสนาสองนิกายคือธรรมยุตและมานิกายนิกายในนิกายในเป็นนิกายดั้งเดิมของพระตถาคตและเป็นแบบแผนแห่งตถาคตหรือไม่ไม่ใช่อันนี้แต่งขึ้นเองบัญญัติเองนั้นในพุทธศาสนาไม่มีนิกายมีแต่ธรรมะกับวินยัยสิ่งที่หลุดจากปากพระเจ้ามีสองอย่างคือธรรมะกับวินยัยสองอย่างแค่นี้นะอา่า และห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนอนุญาตให้เพิกถอนได้ในส่วนวินยัยนะวินัยมีสมส่วนนะก่อนบัญญัติก่อนปฏิโมกปฏิโมกพิสมาจารให้แตะได้ตัวสุดท้ายคือให้เพิกถอนแต่ห้ามเพิ่มเติมนะอ่าห้ามเพิ่มตัดได้เฉพาะในส่วนวินัยที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยนี้เท่านั้นนิดเดียวนะ <c oughs> อ่าก็ครบท้วนคาถามพอดี เห็นว่ามีในช่วงบ่ายด้วยใช่ไหมมีช่วงบ่ายนย่ช่วงบ่ายไว้ปฏิบัติแล้วกันเนา ะ, ะโภชนมัตตัญญุตานะเดี๋ยวจะหลับกันหมด <c ười> คือทานแต่พอดีทานแต่พอดีทำอย่างไรพูุ้ทธเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยไม่ใช่เต็มแล้วเติมอีกเล็กน้อยนะอ่าก่อนเต็มอ่ะหยุดก่อนนะอ่าพร่องเล็กน้อยเรียกโภชนมัตตัญญุตาบริโภคแต่พอดีนะ อ่อ่าก็คงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะในช่วงต้นนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ขออนุมโมทนากับทุกคนนะเชิ